ถ้าเรามีสติเรารู้ตัวเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่หรือว่าทาอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักที่จะระงับอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ย <c ười> มันดีหรือไม่ดีกับการที่ว่าถ้าคนนี้ก็บอกว่าเขานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลหรืออะไรอย่างนี้บ้างเขาจะนั่งสมาธิไม่ได้ถ้ามันมีเหมือนเตะไปติดกัน้นแต่ถ้าทําสมองคลุกคลวงแล้วก็พูดไปเลยมันจะเข้าฌานได้ง่ายกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจจะไปเข้าฌานทําไม เขาบอกว่านั่งสมาธิได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องถามก่อนว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรเขาก็บอกว่ามันนั่งแ้ดีนั่งแล้วดีก็เรื่องของเขาที่เขาดีของเขาแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นั่งแล้วดีคุณเจ้าคุณเจ้าสอนให้นั่งแล้วมีปัญญาอ่าอะนาไก่ที่นี้เขาเขาพอดแบบว่าอย่างเนี้ยคนที่ได้ไปนั่งสมาธิยากก็เป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลมีสติ แล้วก็ทบทวนเหมือนย้ำคิดยัำทำเรื่องคิดเยอะอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นคนที่เหมือนว่าคุณจะนั่งสมาธิได้ลาบากอะไรอย่างเงี้ยเข้ามายแล้วว่าคุณแล้วเคยนั่งไหมหนูไม่หนูก็อย่างคิดอย่างที่อาจารย์ว่าดีแล้วนะคะก็คือค่ไม่รูจะนั่งทําไมเนี่ยว่าเราัำทําต้องมีภาระหน้าที่ใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมว่าเราจนั่งนั่งโดยที่แบบว่าเราไม่ได้รู้ธรรมะพวกมันจะนั่งไปทําไมใช่ไถูก แล้ทีนี้เขาก็เลยมองเหมือนว่าเราเอ๊ะเราผิดห ร, หรือว่าเรามาเขามองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเออเหมือนกับว่าเราใช้เหตุผลอันนี้อันนี้คือกกความ<ห>ความอ่อนด้อยทางทิฏฐิของชาวพุทธเราชาวพุทธเราไปเข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่การนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวน า, าไปเข้าใจอย่างนั้นครั้งพุทธการเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นครั้งพุทธการเขาไปทําไล่ไนะถนาเข า, า, าก็เจริญภาวนากรรมฐานได้ ขณะที่ทําไล่ไผนาอยู่นั่นน่ะขณะที่เกี่ยวข้าวอยู่นั่นะเขาจะไม่คุยกันในเรื่องโรคเขาจะคุยกันในเรื่องการใส่ใจในกรรมฐานยังจเจริญมราณสติกันอยู่หรือเปล่ายังจเจริญกายยาคติคาตาสติกันอยู่หรือเปล่าก็จะคุยกันเรื่องนี้ทําการงานไปด้วยคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ใส่ใจในขณะที่กําลังแห่งการกระทํานั้นด้วย <K _ d ata> ขณะที่ทําการงานอยู่นั่นไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิเพีงจะเป็นการภาวนา น, นัน่นไม่ให้ พอใจหรือยังอืมเราก็เลยนีชักจะสนว่าที่เรามีติอยู่กับขนาดขนาดว่าไอ้นกแคบเต่าที่มันภาวนาว่ากระดูกระดูอยู่จนตายนั่นมันยังได้อานิสงส์ไปสู่สวรรค์กลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุอยู่ที่สุนีในใจภิกษุเจริญอัตถิกสัญญาสิ้นอสมกิเลสเป็นพระอรหันต์ด้วยอานิสงส์ของการเจริญภาวนาเข้ามากระดูกระดูอย่างเดียว มันก็ไม่ได้ไปนังสมาธิที่ไหนนกแลยนะอาตมาจึงถามเลยว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรเข้าฌานเพื่ออะไรถ้ายังไม่รู้ความหมายของการนั่งสมาธิหรือเข้าฌานมันก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาถ้านั่งสมาธิแล้วดีพุทธเจ้าไม่ได้เอาอานิสงส์ของการนั่งสมาธิแล้วดีเข้าฌานแล้วมาสมุะพุทธเจ้าไม่ได้เอาอานิสงส์อสมุ พุจเจ้านอนุสงอะไรปัญญารู้แจ้งเห็นทำตามความเป็นจริงตรงนั้นอ่ะเออถ้าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นทำตามความเป็นจริงแล้วนั่นคือถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่ดีหรือสงมบมงั้นก็ไม่จําเป็นเขาะจะว่ายัางไงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาคําที่เขาว่ามามาสงสัยตัวเองว่ากูทำถูกหรือทําผิดก็ทําทตัวเองต้องเชื่อมั่นตัวเองที่ถูกหรือผิด เรียนรู้อยู่นี่ทำสอนอพุทธศาสนาเกิดอยู่นี่ยังจะสงสัยตัวเองอันสงสัยตัวเองเนี่ยคือผิดถ้าให้สงสัยแล้วเออเราทําถูกของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องของเราอันเขาทําก็เรื่องของเขาก็จะไปว่าเขาผิดหรือจะไปว่าใครใครถูกใครผิดแต่เราทําตัวเราให้มันถูกต้องเรารู้ตัวเราทุกเกิดขึ้นเรารู้วิธีการที่จะแก้ทุกเรารู้วิธีการที่จะจัดการกับทุกของตัวเราเองพอแล้วให้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่อันนั้นยังไม่ยังไม่ใช่ อย่างกรณีนั้นเราเหมืนว่าเป็นเหตุการที่เราน่าจะโมโหแต่เราไม่โมโหก็ถูกแล้วก็ดีเรามีสติในการควบคุมจิตรู้เท่าทันต่อจิตรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบจิตและเข้าใจอารมณ์ที่กระทบจิตในขณะนั้นจะมองบองคนเหมือนมองว่อเราเก็บกดจะฝ่าอะไรอย่นี้ว่าทำไมจริงๆคนที่ถึงภาวะที่มันจะต้องโกรธมันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติคือต้องโกรธต้องแสดงออกอะไร มันก็เป็นเรื่องที่เขามองเมื่อมันเป็นเรื่องที่เขาต้องมองเขาก็เพียงแค่รู้จักเราในทัานะที่เขามองเขาไม่ได้รู้จักเราตามความเป็นจริงคนที่มองด้วยทัานะที่เขามองเขาคก็จะเข้าใจเราทางความคิดของเขาเท่านั้นคือเข้าใจเราเห็นเราทางความคิดที่เขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอางนี้ก็คือเขาเห็นความคิดของเขาเขาไม่ได้เห็นตัวเราที่แท้จริง คนเรามันจะไปรู้จักคนอื่นได้ยังไงจะรู้จักตัวของเขาเท่าตัวของเขาได้ยังไงใช่ไมหมล่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนของพวกนี้ทำมาเราต้องรู้จักตัวเรามันไม่ใช่คนอื่นมารู้จักตัวเรา <Okay. S 1> ให้คนอื่นมารู้จักตัวเรามันมันมันมผิดนิสัยแล้วรู้ไม่ได้เพราเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงขนาดคนที่อยู่กับเรา24ชั่วโมงยังไม่รู้จักเราเท่าตัวเราเลย กับคนที่นานๆานเจอกันทีจะไม่รู้จักเราไม่มีทางที่จะรู้จักกันได้ว่าจะรู้จักใจเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรารู้จักตัวเรานะพอแล้วดีแล้วไม่จําเป็นต้องรู้จักใครรู้จักคนอื่นคือไม่ใช่ว่าไ ม, ไม่ไม่อยากจะรู้จักใครอะไรไม่ใช่นะั้น <c oughs> ก็รู้จักอยู่นั่นแหละแต่ไม่ไปใช้ทัศนะของตัวเองตัดสินคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ มันล้าชื่อหนาเหมืนว่าบางที่เราไม่โกรธเราเป็นสิ่งที่มันน่าจะโกรธเราไม่โกรธบางทีเพราว่าเราไปแล้วนะไปกดดันมันไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบเอ้ยเราเไม่ได้กดดันนะยังไงว่าเราก็แปลกใจตัวเองแว่าทำไมเราไม่โกรธเขาอะไรอย่างเเราก็หันมาถามตัวเองทําไมเราไม่โกรธแต่เรารู้สึกเสาเวสหรือว่ารู้สึกหดหูเวลาเห็นเขาทําไม่ดีแล้วก็มาใส่ร้ายเราอะไรอย่างเงี้ย ที่เราจะโกรธแต่เราไม่โกรธแต่เราแบหดหูและส่งเวอย่างี้ถ้าเราผิดเราถูกผิดปกติหรือเปล่าผิดปกติก็ผิดตรงที่จมสงสัยตัวเองอยู่นี่แหละไม่สงสัยทำไมเนาะพรที่สงสัยตัวเองอะผิดแล้วสงสัยเพราะเขาบอกว่าคนปกติมันต้องถึงถึงมันต้องโกรธก็คือต้องโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่โกรธอะไรก็แสดงว่าเขามองคนในด้านเดียว มองว่าคนต้องเป็นอย่างนี้ด้านเดียวถ้ามองด้านเดียวก็ก็ได้ทัศนะด้านเดียวมันไม่รอบด้านเพราะเขารู้แค่นั้นรู้ในด้านที่เขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> การที่เขารู้ว่ า, า<อ>คิดเป็นว<ช>่าเป็นอย่างนัง้นอย่างนี้ <ทำ S 1> มันก็ไม่ใช่ความรู้ทั้งนั้นที่เขาทําสิ่งที่มันน่าเกลียดน่ากลัวกับเราน่าเกลียดน่ากลัวเลยนะแต่เรากลับไม่โกรธแต่เรากลับรู้สึกสังเวชเขาอะไรอย่างเนี้ย ก็มันมันไม่ใช่มันไม่ถูกกับสิ่งที่เป็นความผิดที่เขาว่าแล้วเราจะไปโกรธไปเกลียดอะไรทําไมเขามาว่าเราเลวแต่เราไม่ได้ทําสิ่งที่เลวแล้วเราไปโกรธไปเกลียดคนที่เขาว่าอันนี้ยคือสิ่งที่เลวของเราเราไม่โกรธเราไม่เกลียดก็ถูกแล้วแหละก็เราไม่ได้เลวเราไม่ได้ทําเลวอถ้าถ้าไปโกรธไปเกลียดคือเลวตามที่เขาว่าจริงก็ถูกแล้ว ไม่ไม่ไม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ทาถูกนะใครจะนั่งสามาธิก็นั่งไปเมื่อก่อนเคยคิดอยู่เหมือนกันตอนนั่งเคยไปที่เอวัจญ์น้องเวสรันก็เคยเป็นฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิที่วัดใหญ่แต่พอต้องกลับมาเจ้พระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรประมาน ที่อาจารย์บอกว่าเออให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดมีสมาธิกับการทํางานกับหน้าที่เรารับผิดชอบไห้ดีที่สุดกับตรงนั้นก็เลยไม่ได้คิดแล้วก็<ม>อยากจะฟังทำมาให้เข้าใจกวากดีกว่าอะไร<ม>อยนี้ตรงนั้นนี่เรายัางไม่พร้อมที่จะฟังถูกแล้วถูกแล้วบางทีนั่งหลับตาไปเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมามก็ถูกสิ่งที่เห็นปรุงแต่งจิตให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอ เข้าใจมากเข้าในสิ่งที่ตัวเองเห็นก็จะยึดถือและเชื่อมั่นว่าเป็นจริงเมื่อเชื่อมั่นว่าเป็นจริงมากเท่าไหร่จิตก็จะดิ่งลงไปในความเชื่ออย่างนั้นทิฏฐิก็จะยึดถือความเห็นที่เชื่ออย่างนั้นและต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอพวกนี้แก้เกีนรแก่ยากจนขี้เกียรแก่ตัมมาขี้เกียรแก้จิตประเภทนี้เพราะมันดีไงเลยขี้เกียรตแก้เพราะเขานั่งลงไปทีมันดีดีใครจะไปทิ้งได้ใช่ไหมล่ะมันดีอ่ะใครจะไปทิ้งดีได้ แต่พูดเจ้าเราสอนว่ายังไงไม่ให้ติดแม้กระทั่งความดีใช่ไหมเนอะทีนี้เราไปสอนเขาบอกว่าให้วางความดีนั้นเสียมันวางได้ที่ไหนมันดีทำลงไปเท่าไหร่มันก็ดีต่อจิตต่อใจต่อตัวเองแต่อันที่ไม่ดีเขามองไม่เห็นไม่ดีแบบไหนเ้ามองไม่เห็นตรงนี้คือเรื่องสำคัญมากถ้าไม่ไม่ฝึกปฏิบัติที่เริ่มต้นจากความเห็นที่ถูกต้อง ด้วยองค์ของส ม, มาธิแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยแม้สมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมีโทษมากแม้จะสมบุกลึกแค่ไหนก็มีโทษมากสังเกตพุทธศาสนานี่จะสอนสมาธิในด้านสัมมาที่แตกต่างจากสมาธิที่เขาทํากันในยุค ยุโบราณโบราณนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่าสัมมาสมาธิที่พระองค์ทรงสอนนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสมาธิฐิจะต้องประกอบไปด้วยสมาธิฐิคือกำกับไว้ตายตัวเลยว่าสมาธินั้นจะต้องประกอบไปด้วยสมาธิฐิจึงจะเป็นสัมมาสมาธิได้กำกับไว้แล้วหาสมาธิขึ้นมาโดดๆยังไม่มีสมาธิถิ่รองรับมันเป็นไิ่ฉาเลยทันทีวิเราะง่ายๆตัดสินง่ายๆงน และโดยส่วนมากจะทำสมาธิในด้านนิชานี้กันเยอะทั้งนั้นมันก็เลยไม่เกิดการกสรู้จึงนำไปสู่การขบเถียงกันในเรื่องความเห็นทางศาสนาหลักใหญ่ๆเป็นอัตตาเป็นอนัตตากันอย่างเงี้ยเพราะไม่เห็นความจริงไปเถียงกันอย่างนะั้นเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะถ้าเอามาเถียงกันนี่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทั้งสองฝ่าย ก็จะเป็นฝ่ายไหนก็ตามพอผู้รู้เห็นตามตอนจริงเนี่ยจะไม่สําคัญหมายในนิพพานว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นวิโองทรงตัดอย่างนั้นไม่มีความสําคัญหมายเลยว่านิพพานจะเป็นนั้นเป็นนี้ไปสําคัญหมายไผิดแล้วเพราะเอาความเห็นไปยึดจับว่าเป็นเมื่อเอาความเห็นไปยึดจับว่าเป็นก็เท่ากับว่าไม่ได้รู้จักนิพพานแท้แต่รู้จักนิพพานทางด้านความเห็นของตนว่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้ ก็คือยังไม่เห็นนั่นเองแล้วคนที่ยังไม่เห็นกับคนที่ยังไม่เห็นมาคุยกันทงไงอ่ะกับคนที่เห็นแล้ว <c oughs> เขาเขาไปได็กเขาไเด็กว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเนี่เนี่ก็นี่มันก็เป็นธรรมาราที่เขาเห็นแล้วก็เป็นอสังคตะ น, นี่แค่อสังคตะตาม ท, ที่ไม่ปุงแต่งนั่นเองมันเลยทําให้เห็นรากฐานข้องกันเรียนรู้ คำสอนทางพูษนาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านด้านปริยัพหรือเรียนรู้ด้านปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่หากจะบอกนะพูดไปแล้วก็ว่าแเงีลบอีกเงี้ ย, ยว่าก็เป็นการเรียนรู้ในการอ่อนด้อยทางปัญญามากหากจะเอาภาษาที่เขาใช้กันในคำพุทธการเขาบอกว่าสามปัญญาคือไม่ได้เรียนเอาปัญญาแต่เรียนเอาความรู้ปฏิบัติไม่ได้เอาปฏิบัติเอาปัญญา ปฏิบัติเอาความรูเอาความสงบแต่ไม่ได้เอาปัญญาปัญญามันอยู่ในความสงบเนี่จิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามปัญญามีอยู่ไม่ได้ไปปัญหาอะไรไม่สงบก็ไม่สงบเป็นเรื่องของจิตเพราะจิตสักแต่ว่าจิตสงบก็เรื่องของความสงบเป็นเรื่องของจิตอีกมันจะสงบก็เรื่องของความสงบของจิตเพราะจิตสักแต่ว่าจิตจะสงบก็รู้ว่าสงบจะไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ มีไว้ให้รู้เท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้จิตประกอบด้วยกุศลอกุศลก็มีไว้ให้รู้ขณะจิตนี้เป็นกุศลก็รู้ขณะนีน้จิตเป็นอกุศลก็รู้ก็มีไว้ให้รู้ปัญญามันอยู่เหนือความสมบูชความไม่สมบูความเกิดความดับทั้งปวงเป็นความรู้แจ้งของเข้าใจแล้วมไม่ได้ไม่ไม่ใช่อยู่ในอิริยาบทเฉพาะกะนั่งเท่านั้นนะพวกอิริยาบทมีปัญญารู้ อาการของกายเวทนาจิตธรรมตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแม้กระทั่งหลับก็ยังรู้โอก็หลับแล้วจะไปรู้ได้ยังไงหลับมันรู้กันแล้วกันนะมันรู้มันมีทัลรู้อยู่สัญญาเมันรู้อยู่ทําหน้าที่รู้เขาบอกเอาทัลรู้อยู่มันจะหลับได้ยังไงหลับมันส่วนหลับเป็นเรื่องของกายนละกายสัแต่ว่ากาย ปรับก็หลับไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตทำก็สัคแต่ว่าทำไม่ออพูดอย่างนี้มีรู้เข้าใจหรอ <st> สิ่งที่จะา ม, มาสอนนี่มันมันขัดแย้งกับสิ่งที่คนทั้งหลายกำลังกระทาอยู่มากหลายแง่หลายประเด็นและบางอย่างดูเหมือนเหมือนจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ม่เหมือนกัน เราเรียนส่วนมากเราเรียนอะไรกันในในการปฏิบัติพุทธศาสนาเราเราจะเรียนสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมเป็นหลักใช่ไหมสติปัฏฐานสี่หรือเรียนอะไรเป็นหลักที่เราเรียนรู้ไปดูครูน้องถูกสอนในเรื่องอะไรม า, มมารฮะ ไ, าไปอยู่ที่ไหนมาเพื่อจะได้มาเรียนไปอยู่ที่ไหนมาเพื่พอจะได้มาเรียน เขากอดก็เคยเป็นเดือนจงกรมนั่งสมาธิอยู่วัดยานนี่ใช่หมเหรอเขาก็ไม่ได้สอนทำ่าเขาก็สอนให้นั่งสมาธิแล้วไปเดินงกรมเขาไม่ได้สอนเขาอาจจะปมีเขาอาจจะมีเทศนาบ้างแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบไปบ่อยนะทีสองอาทิตย์ไปทีอะไรเงี้ยความเข้าใจกับตรงนั้นเราจะไม่มีเลยเราก็ไปแค่ว at ah ่าเออไปฟังท่านเทศบ้างนิดหน่อยแต่หาว่าพอเทศ ซักพักท่านก็จะบอกเอ อ, อไปเดินจงกลมไปนั่งสมาธิกันไปอะไรอย่างเงี้คือจะไม่ได้เน้เนเ่งสอนแบบเหมืนะสนทนาธรรมอย่างพระอาจารย์เนะี้ยค่ะเพราะมันจะมีกิจกรรมอื่นทางนู้นเขาไม่สนใช่ไหมอยู่ที่นี่จะสนะคือที่นี่เนี่ยจะไม่สอนบอกว่าไม่ไม่มีกิจกรรมอื่นเลยค่ะมันก็จะได้ธรรมะโร ย, โยแต่ตรง น, นั้นนี่คือท่านแค่อยู่แป๊บนึงเสร็จแล้วที่เยลือนั่งสมาธิแต่ก็แยกกันไปปฏิบัติอะไรบางทีนี่นะซึ่งตรงนั้นบางทีเราไม่ไม่ได้เนี่ย ก็บุญอะไรเลยจะประเด็นความเข้าใจในการปฏิบัติก็ไม่ได้เราาเขาเรียกว่าปฏิบัติการตามรูปแบบใช่ค่ะพอมีแบบให้ทําก็ทําตามแบบและคิดว่าทํำตามแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆคงจะบรรลุคงจับนะเขามีความคงจับบรรลุน่าจับบรรลุอาจจับบรรลุพอไม่บรรลุก็บอกบุญน้อยมว้ว่าเราไม่ได้ไปนั่งปฏิบัติไม่ได้ไปเดินจงกรมไม่อะไรเนี้ยก็เลยเหมือนว่าอย่างที่เรามานั่งฟังเนี้ยเราจะได้อะไรอยู่เนี้ยเขาไม่ได้สอน เออเขาเขาาสอนกต่อยแต่งเรื่องของออบุญบุญใช่ได้กลายเปว่าบุญนี้ยังไม่ใช่ปัญญาอีกเหรอมันไม่ใช่ค่ะคือมันอิ่นบุญตอนที่เรามาทำถวายอาหารเอากลับบ้านไปปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วมีปัญญาปัญญาที่จะติดในใช้ในชีวิตประจํำวันก็ไม่มีใช่ค่ะอ๋อคือเราหันหลังจากว่าเราก็ลืมแต่ะไอ้ที่เขาสอนอ่ะ แต่ไปมาไม่มีเวลา้ไปสติเปิอนเลยอคนอ่ะค่ะแต่ฟังไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีมันเป็นขนาดเมืองแต่ว่าฟังคาเมืองไม่รู้เรื่องไมเข้าใจคเมืองที่เทพก็นกันันเลยเกิดการทาสิ่งที่ไม่รู้เรื่องขึ้นมาอันนี้คือเสียงสะท้อนออกมาจากคนในพุทธศาสนาเราที่สะท้อนออกมาให้รู้ให้เห็น ก็เพราะเห็นนี้แหละอาตมาจึงจำเป็นจะต้องออกมาพูดออกมาแสดงครับแต่ก็คิดอยู่ว่าคงพูดไปไม่ไม่นานเท่าไหร่หรอกพอแล้วยุติยุตเถิเินียังเพจะฮยังจะให้เทศอยู่อีกเหรอเทศนปีกว่าแล้วนะนี่ก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะไหนคนคนที่ฟังเขาบอก พอใจกันหมดแล้วม่้งคุมนี้พี่แตนคนรอฟังครับพี่แตคนรอฟังใช่ค่ะรอรอแตนขอทอดเถิดมีเหมือนชาวบ้านเขาเถิดไปจิบกาแฟไปฮาจิชาะเปลี่ยนเป็นิชาจัดชามาด้วยชาดีๆนะนะเถิะไปจิชาไปด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟแล้วน้ำหมด เขียวญี่คุ่นได้ไพอดีเชียนแบ้ของในอยู่อ่อโอเคาชาเขียวอาถ้าจะให้เทศก็ต่างประเด็นมาให้เทศให้คุยให้พูดให้สนทนากันดิให้เทศโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องคุยกั น, นต้องมีปัญหาแล้วใช่ไมถามอ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่นนชื่ออะไรนะนุมเออยมนม คือค้องใจตรงไหนอย่างเงี้ยก็ลองถามดูอย่างเงี้ยเหมือนตัวเองเริ่มข้องใจตัวเองก็จะถามนองพอกขึ้นมาเลมุมครั้งแรกเลยเพราะว่าเเหมือนกันอันนี้เพิ่งครั้งแรกที่ได้มาฟังครั้อที่ก่อนเ้าก็เคยไปปฏิบัติงานแบนี้นะแล้วเมื่อเป็นยังไงที่ไปปฏิบัติได้ตอนนั้นะ ได้ได <that> ้ไปได้ความรู้ไม่ก็สอนแบบนี้หรือว่าแค่สอนปฏิบัติในที่ไปที่วัดท่ามะโง่ก็สํานักเรียนใหญ่เลยนั่นน่ะสํานักเรียนใหญ่สํานักบาลีใหญ่สํานักพิปัสนาใหญ่สํานักกับี่ธรรมใหญ่อยู่นั่นหมดเลยท่ามะโ่หรือว่าเป็นสํานักที่ใครๆก็อยากจะไปกันอาตมาอาตมายังอยากจะให้อยากจะส่งพระไปเรียนบาลี มหาบารีใหญ่ที่นั่นแต่ ด, ดูไปดูมาไม่เอาหรอกวะสมไปวังน้อย <laughs> เพราะว่ามันมีหลักคำาสอนหลายหลักคำาสอทที่ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยยัไงไงอ่ะมันเป็นรูปแบบเกินไปบางทีการสร้างรูปแบบให้กับผู้เรียนรู้ผู้ศึกษา ทำให้เกิดการจดจําเมื่อมีการจดจําหากรูปแบบนั้นผิดการจดจําที่จดจําก็ผิดและการถือไปปฏิบัติก็จะผิดและการสื่อต่อการปฏิบัติก็จะผิดผิดไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็บอกพระอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าผิดก็หลักคําสอนที่สามารถตรวจสอบคําสอนยังมีอยู่นั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงวางหลักคําสอนไว้เพื่อตรวจสอบหลักคําสอนของพระองค์เองแล้วมีอยู่ ใ น, ในหลักคําสอนอยู่แล้วเห็น ไ, ไหมพระองค์บอกว่าคําสอนเราใดที่ตถาคตตรัดหรือตถาคตไม่ได้ตัดเธอทั้งหลายพึงฟังคําสอนเหล่านั้นแล้วนํามาสู่การเทียบในหลักคําสอนที่ตถาคตตัดไปแล้วและจะได้รู้ว่าอะไรที่พระองค์ทรงตัดอะไรที่ไม่ได้พระองค์ไม่ทรงตรัดอันที่พระองค์ทรงตรัดให้ยึดถือไว้อันที่พระองค์ไม่ทรงตัดให้วางทิ้งเสียอย่างเงี้ยให้ตัดทิ้งเสีย ก็แค่นั้นนั่นหมายถึงว่าผู้เจ้าต้องการให้พวกเรารักษาคำสอนในส่วนที่เป็นหลักดั้งเดิมที่พระองค์ทรงตัดไว้ไม่ให้เกิดการแปรเปืี่อนไปด้วยทิฏฐิที่แทรกเข้าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ยอมรับทิฏฐิหรือความเห็นในภายหลังนะพระอัฐากธ า, าจารย์ทั้งหลายที่รู้ความของพระพุทธพจน์ ที่อธิบายพุทธพจน์ไว้ก็ยังยอมรับอยู่หากหลักคำสอนของอัตถกาลอาจารย์เหล่านั้นเข้าก<ม>ันกับหลักของพุทธพจน์แต่ก็มีหลายแง่หลายมุมที่อาตมาเช็คดูแล้วมันมันมันผิดหลายหลายอย่างในหลายประการแต่เป็นการที่อาตมารู้ว่าผิดด้วยทัศนะของอาตมาแต่ไม่ได้บอกว่าเขาผิด แต่ทัศนะที่อาตามามองแล้วเห็นว่าหลักแบบนี้มันผิดไงด้วยทัศนะส่วนตัวแต่มาไรีวบาค์เขาผิดนะคือความเห็นของอาตมามันรู้ขึ้นมาอย่างนั้นว่ายี่ผิดยกตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างก็คือการเรียนปฏิจจสมุปาเนี่ยที่เขาเรียนกัน ตอนแรกอาตมาก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่มีมีโทษกับผู้เรียนก็ญาติโยมสนใจเรียนปฏิจจสมุปบาทเรียนธรรมะเรียนสติปัฏฐานสีน่เรียนเรียนโอมทำอะไรก็ก็อนุโมทนาอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่า โ, โยมเป็นผู้ใคร่ศึกษาเป็นผู้ตั้งใจศึกษาเราเรียนทําคําสอนใช่ไหมล่ะก็ก็อนุโมทนาว่าเขาเขาได้ศึกษาเราเรียนมาดีทรงจําไว้ดี ก็ไม่ได้เห็นว่าจะเป็นเรื่องเสียไหนอะไรกับนุโมทนาอยู่แต่พอมาไล่เช็คความเข้าใจนี่สิ่งที่เรียนมาที่เขาเรียนมาน่ะเรียนมาตามแบบจริงอะแบบถูกสอนว่าอย่างนั้นก็ยุดถืออย่างนั้นแล้วก็ยึดปฏิบัติอย่างนั้นพอมาไล่เช็คความเข้าใจความเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นปฏิสูบัดกล่าวเรื่องของอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิด นามรูปนามรูปเป็นป e> ัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้ที่นี้ไม่รู้เรื่องกันเลยมระเด็นนะไม่ได้เรียนกันเลยเลยว่าจะให้ตอบเทาหน่อยายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดพัสสากอนหรือพัสสานแล้วคอเป็นเวทนาเวทนาเป็นตจตหาตัตหาเป็นดุปุบานฐานเป็นภพภพเป็นชาติชาติเป็นชาาพญาทิ่ย์มารณะที่นี้แล้ววิธีปฏิบัติเ้าปฏิบัติยังไงเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ย จะต้องดับที่เวทนาให้ได้เพราะเวทนาจะไม่ก่อให้เกิดตัณหาเพื่อไม่อยากไม่มีตัณหาเขาจึงโยงเวทนาเข้าสู่สติปัญญาสี่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเขาบอกถ้าสามารถตัดรอบตัวนี้ได้ปัก๊กเนี่ยไม่เกิดเวทพวบเขาเรียกลู้เวทนาเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอุปทานไม่ให้เกิดภพไม่ให้เกิดชาติก็ ค, คือดับภพบดับชาได้หมดอันนี้คือส่วนที่เขาอธิบายมายอย่างนี้ ถ้าจะออกจากว่ตาตักออกจากวงจรของปฏิสุบะการเรียนใบใจเกิดเนีกองพุกเนี่ยต้องออกตรงนี้หวงโซ่ตัวนี้ก็จะดับไปหมดตามาฟังเสร็จปั๊บอ๋อเขเรียนกันมาอย่างนี้เหรออถ้าเป็นอย่างนี้นี่ชักจําจไม่ได้นะในความรู้สึกของตาม า, านะคือคือเกิดเกิดความคิดขึ้นมาเอ๊ะอย่างนี้ชักจำไม่ได้นะเราจะต้องอธิบายเรื่องปฏิสุบะให้เขาได้เข้าใจ อตาตมาก็เลยเริ่มอธิบายเข้าฟังมาสิ่งที่เขาเรียนมาเขาสรงจํามาผิดคือทรงจํามานั่งูหลักห่วงโซ่อะทรงจํามาถูกแต่วิธีปฏิบัติอเขาเขาถูกสอนมาผิดเอาผิดได้ยังไงก็โยมเข้าสู่สติปัฏฐานสีนก็ถูกแล้วนี่นจะผิดตรงไหนไอโยมเข้าสู่ปฏิสติปัฏฐานสีไม่ผิดหรอกแต่มันผิดตรงที่ความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาท เาบอกไม่เข้าใจยังไงถ้าปฏิสูบาที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยแล้วเข า, เาพยายามที่จะ ต, ต, ตัดห่วงโซ่ในการที่จะไม่ให้สืบต่อไปเป็นตัญหาอุปทานภพชาติแล้วเขาเข้าใจว่านั่นคือการออกจากวัดตา่างนี่ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอัตามาก็เลยไปให้เขาค้นหาดูว่าเอาวงจรปฏิสูบทมาให้ดูหน่อย ว, ว่าวงจรปฏิสูบทเนี่ย มีอะไรบ้างพอค้นหาออกมาดูมันมีเยอะเลยทีนี้ในในกูเกิลในอะไรนะมีเยอะเราจะเอาตรงไหนพ อ, อไล่ดูว่าอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนมาจากไหนไล่ดูไล่ๆๆดูไล่ดูมีทั้งของพามา่ามีทั้งของไทยมีทั้งของหลายอย่างเลยพวงจรปฏิสุบะโผล่ขึ้นมา <S 2> <S 2> ต่อมาก็มาไล่เช็คดูจึงได้รู้ว่าวงจรปฏดิจจัสมุบะ ท, ที่เราเรียนกัน ในประเทศไทยที่โยงเข้าสู่สติปัฏฐานสี่เนี่ย mm hmm. เป็นวงจรที่กอบกันมาหมดเลย mm hmm. คือใช้ถังอันเดียวกันถังนี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากพมา่า mm hmm. ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าสำนักไหนไม่ว่าที่ไหนก็เลยเช็ดูเอ๋อมันยึดถือกันอย่างนี้กันกันเกือบจะทุกสำนักเลยนะที่เรียนปฏิสุบารกันยึดถือพิธีออกออกโดยการข้ามเวทานาก็ข้ามเวทนา และมีภิกษุณีพม่ามาสนทนาธรรมด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ถูกสอนอย่างนี้ให้ก้าวข้ามเวทนาพอก้าวข้ามเวทนาได้เขาเข้าใจว่านั่นคือเขาผ่านในชั้นหนึ่งระดับหนึ่งอาตามากขาบอกนี่คือความเสียหายของความที่ไม่เข้าใจหลักคําสอนการเรียนคำสอนน่ะดีเป็นสิ่งที่ดีน่าหน้าโ น, านโมทนาแต่ความไม่เข้าใจเนี่ยมันปเป็นเรื่องเสียหายมาก เขาบอกเสียหาอย่างเขาก็ปฏิบัติกันมีคอร์สการปฏิบัติกันด้วยนะคอร์สทางพม่าคอร์สไทยคอร์สเขาก็ศึกษาเขาก็ปฏิบัติเขาก็ได้ผลด้วยนะอาตมาก็ไปทราบว่าผลนั้นคือผลแบบไหนคือไม่เข้าใจว่าผลที่เขาได้คือผลแบบไหนเขาบอกเขาก้าวข้ามเวทนากันได้เฮอยพูดถึงจุดเนี้ยพูดถึงจุดที่ก้าวข้ามเวทนาอาตมาก็เลยบอกว่าขอถามอจริงๆเี่ยเราก้าวข้ามเวทนากันได้จริงหรือเปล่า ปัจจุบันนี้เราไม่ได้อาศัยเวทนากันเลยตอนนี้เรามีเวทนาอยู่ไหมมีก็ยังไม่ก้าวข้ามเวทนาใช่้ลฮะเราจะก้าวข้ามเวทนายัาง ไ, ไ, ไงหลังข้ต้องใช้สมาช่หลักคสอนของพระเจ้าพงให้ก้าวข้ามเวทนาหรอไม่ใช่ให้กล<ห>ัง้ให้รู้จักเวทนา ต, <4 S 1> ตามความเป็นจริงของมันแต่ไม่ได้ให้ก้าวข้าม จะไปก้าวข้ามทําไมแค่รู้เวทนาที่มันเกิดว่าเป็นเวทนาอะไรก็รู้ว่าเวทนาที่ดับเป็นเวทนาอะไรที่ดับไปอย่าสับสนเนือ ง, งงว่าเวทนาที่ดับไปคืออะไรเวทนาที่เกิดขึ้นมาคืออะไรแค่นั้นเองไม่ได้ให้ไปก้าวข้ามเพราะถ้าเราบอกว่าเราก้าวข้ามเขาเลยยังไงวิธีก้าวข้ามาต่มันก็ถามเขาพิซูนี้นั้นก็บอกว่าพิซูนีมาจากข้า ม, มา ก, ก็บอกนั่งปวด จนปล่อยมันปวดมาก ое, เข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ข า, ขาก็สู้กับความเจ็บปวดนั้สู้กับเวทนานะจนสามารถผ่านความเจ็บปวดไปได้เขาเรียกว่าก้าวข้ามเวทนาถ้าก้าวข้ามเวทนาะเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวข้ามแค่ผูกเขเวทนาใช่ไหมแต่ก็ไปเป็นอีกเวทนาหนึ่งใช่ไหมคือสู่เบธานาก็ยังไปติดเวทนาอันหนึ่งที่เรียกว่าสู่ข้าเวทนามันไม่ใช่การก้าวข้ามนานะนี้ก็ค <s> ือเขาเรียกว่า การอารมณ์ของเวทนาอารมณ์หนึ่งไปสู่เวลาเวทนาอีกอารมณ์อันนั้นเขไม่เรียว่าการเข้าฆ่าก็ยังติดอยู่กับเวทนาอยู่เหมือนเดิม่งเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาสงบพขดีก็บอกแล้วไงว่าการปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ได้เอาเพื่อความสงบหรือไม่ได้เอาอาดีเอาปัญญากรรู้แจ้งเห็นทำตามความเป็นจริงตรงเนี้ยตัวเนี้ยคนไม่ค่อยจะคำนึงกันเลยวทีนี้อตาตมาก็มาดูว่าเอา้าพุกสานักเข้าสอนกันอย่างนี้เลยเหรอ เขาบอกมันมันไม่รู้จะไปสอนกันยังไงไม่รู้ว่าจะจัดจับตรงไหนเข้าไปสู่การปฏิบัติก็มันเข้าสอนมาอย่างนี้เขาก็สอนจะมามาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี้วตั้งแต่พุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกันมาพม่า ก, กับไทยนะใช่ไหมเราก็รู้อยู่หนิว่าสายทางพม่าเขาสอนอะไรสายทางที่เป็นพื้นเพของไทยเรา ที่ได้รับค่านิยมก็ล้วนแล้วแต่มาจากพาม่า ก, ก็นั่นคือก๊อปปี้ของพม่ามาอาตมาจึงบอกว่าเท่ากับว่าเราชาวพุทธที่อยู่ในเมืองไทยเราไม่ได้มีสติปัญญาเป็นของตัวเองถูกต้องไหมแต่นี่ไม่ได้ว่านะคือพูดถึงในในความคิดของอาตมาถ้าเรามองปฏิสุบาที่โพทรงตัดเอาวิชาปัจญาสังขาราสังขารปาัญญานินยานัง ปฏิบัติข้อเนี้มันอยู่ในอริยสัจข้อที่เท่าไหร่ข้อที่หนึ่งสมุทัยใช่ข้อที่สองอริยสัจข้อที่สองแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งอยู่ที่ไหนผลก็คือตัวทุกข์แล้วอริยสัจข้อที่สามอยู่ที่ไหนเห็นจนเห็นแล้วอยากเห็นเหมือัน อ า, อางี้ดีกว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งคืออะไร ท, ทุกก็คือชาติชาติใช่ไหมชาติทุกโทมานัตอุปายาตโศกกะปาริเทวะ<ม>ใช่ไหมไหล่กชาติคือการเกิดเรียกว่าชาติใช่ไหมเนี่ยคือคือส่วนผลส่วนผลส่วนเหตุคือสมุทัยคืออวิชาเรียกว่าสมุทัยสัตว์อริยสัจข้อที่หนึ่งอยู่ที่ชาติพยาธิชาลาพยาธิมรณะทุกโทมานัตอุปายาสมุทัยอยู่ที่ อวิชานี่โลดอยู่ที่นี่โรดอยู่ที่นี่โรดสัตว์อยู่ที่ไหนนี่โลดก็อที่แกงท่นนี้หอมัจากจุกอาอย่างนี้ดีกว่าปฏิสุบะมีสองสายใช่ไหมใใสายเกิดกับสายดับใช่ไหมสายเกิดเรียวกว่าสมุทรไทยวนันสายดับเรียกว่ า, านีน่โลดมานสายเกิดนี่เกิดอะไรเกิดทุกข์สายดับนี่คือดับอะไร ด, ดับทุกข์การที่ทุกข์กจะดับไปได้ดับที่ไหนเอาวิชาใช่ไหมพวกโอเกียงตัดไปว่า อวิชายตเวบาอเสสามิลาภนิโรธาสังหารนิ โ, โรโธเมื่อความดับไปโดยไม่เหลือของวิชามันจึงจะเป็นการดับฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องรู้การดับถูกต้องไหมของอวิชาใช่ไหมต้องทํำอวิชายต์ให้ดับไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปก้าวข้ามเวทนาไปก้าวข้ามเวทนา ถ, ถึงแม้ว่าก้าวข้ามเวทนาได้ดับตัณหาได้ดับปพบได้เนีย ดับการเกิดได้อวิช า, ย, า, ชา ย, ยังอยู่ดับได้แค่ชั่วคราวอันนั้นนัดมันหมายว่าการฝึกปฏิบัติทั้งชาติของเขาที่เขาปฏิบัติสามารถยุติการเรียนไาวตายเกิดได้ชั่วคราวอาจจะอยู่ในชั้นพรมไม่ไปเกิด น, นะจุติชั้นพรมไ ม, ไม่เรียนไหวตายเกิดแต่ดับเมื่อใดที่ดับอวิช า, า, ชาไม่ได้เมื่อนั้น การที่เขาบำเพ็ญ น, นั้นมันเสื่อมลงตัวอวิชชาก่อเกิด น, นำสู่ยุติได้อีกไหมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้ววิธีปฏิบัติก็คือดับอวิชชาเท่านั้นทีนี้ทุกขัสัจจะให้รู้สัมิให้สัจจ์จะให้ละนิโรธั์จะทำให้แจ้งมัดอยู่ที่ไหนที่นี้ ข้อมักอยู่ที่ไหนสามภามสามะทิธิสามะทิธิให้เห็นอะไรเทุกเพราะฉะนั้นข้อมักเคลื่อนอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติได้ไปเห็นทุกที่มาจากสมุทัยหรือเปล่าแล้วก็เมื่อรู้ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งเป็นสมุทัยแล้วทําังไงถึงจะดับอวิชชาได้ใช่ไหมนี่คือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําทําังไงถึงจะดับอวิชชาได้ไม่ใช่ไปก้าวข้ามเวทนะ ทีนี้อวิชามีกี่อย่างแปดอ่ะอวิชามีแปดคือสิ่งที่เราไม่รู้มีอยู่แปดอย่างไม่เกินนี้ไม่เกินแปดเพราะองคศกตัดไปแปดไม่มีเก้าและไม่มีเจ็ดมีแปดเท่านั้นที่อวิชาครอบงาใจเราอยู่เราไม่รู้อะไรอดีตอนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อะไรอีกไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุก ไม่รู้ความดับไปของทุกไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะดับทุกแล้วก็ไม่รู้ปฏิจจาบัน <c oughs> คือความไม่รู้แปดอย่างเ <c oughs> มื่อไม่รู้แปดอย่างก็ต้องไปรู้ในแปดอย่างนี้ <c oughs> แค่นี้เองถ้าเราไปรู้ในแปดอย่างเนี้ยอวิชชาก็ดับเมื่ออวิชชาดับจะไปกลัวอย่างอื่นที่จะมันไม่ดับไหม <c oughs> อวิชชาดับก็ดับหมดเลยใช่ไหมเ <c oughs> มื่อเราทําการรู้อยู่บ่อยๆก็อวิชชาก็ถูกดับอยู่บ่อยๆรู้ในแปดอย่างเนี้ย ทีนี้รายละเอียดรู้ได้แปดอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปอธิบายจริงๆไม่ได้อธิบายหรอ ก, ก็คืออยู่ในเนื้อความเนื้อทําทียมตมาอธิบายมาก่อนๆหน้า น, านี้ทั้งหมดเลยทีนี้ลน่ะมันทําลายความไม่รู้อยู่ในตัวยพอเข้าใจหรือยงังนี่คือวิธีปฏิบัติมัดขึ้นอยู่กับบุคคลคู่การทำการทาขึ้นมาสติปัญฐาสีจะมีไหม สามประธานสี่จะมีไหมอินซีห้าจะมีไมหมพาราห้าจะมีไหมโพดทองเกตจะมีไหมมักแปดจะมีไหมขึ้นอยู่กับเรารู้ในอวิชาแปดเนี่ยที่มันทําให้เราไม่รู้เนี่ยแ ค, แค่นั้นเองสติประธานสี่ก็จะอยู่ในนั้นะอยู่ในการที่เรารู้นะ่นอันนี้อันนี้คือคือมองเห็นไงว่ามันมัน ถ้าเรียกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องเอามาอธิบายจึงได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าหากเราปฏิบัติกันผิดอย่างนี้ศา ส, สนาจะถูกเข้าใจผิดทางด้านหลักคําสอนและหลักการปฏิบัติมากแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นความผิดที่อาตมาสแสดงออกมาในแง่คิดที่เป็นทัศนส่วนตัวไม่ได้บอกว่าผิดเพราะสิ่งที่อาตมาพูดอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อฟังแล้วพิจารณาและวต้องวิเคราะห์ดู อย่าเชื่อว่าสีเที่นตามาพูดนี้เป็นความถูกต้องเพราะถ้าเชื่อเราจะไม่เกิดการปฏิบัติเพราะมันเชื่อไปแล้วแต่ถ้ารับฟังและรับไปพิจารณาจะเกิดการปฏิบัติและจะมีการสืบพ้นหาความจริงว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าพระรงตัดได้จริงหรือเปล่าตรงเนี้ยเข้าใจนะถือว่าเป็นประเด็นที่สาคัญมากที่ควรจะพูดในเรื่องนี้ ถามมาว่าอารมณ์คือปัญหาปัญหาคือทางออกขอให้พระอาจารย์เทศเมตตาเทศปัญหาก็คือปัญหานะคำว่าอารมณ์คือปัญหานั่นคือว่ามันเป็นปัญหาที่จริงในชีวิตของมนุษย์มนุษย์อยู่กับอารมณ์และอารมณ์ก็อยู่คู่กับจิตเราจะต้องเผชิญกับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตและขอให้รู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ เราอยู่กับโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เราไม่ได้อยู่กับมนุษย์ที่มีเหตุผลเพราะเราอยู่กับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เราจึงจะต้องระวังอารมณ์ที่เราจะต้องกระทบเนี่ยให้มากที่สุดระวังอะไรก็ระวังตัวของเราเนี่ยอย่าให้เป็นปัญหาเพราะอารมณ์มันคือปัญหาแล้วเมื่ออารมณ์ปัญหาคือปัญหาแล้วทุวกเจ้าจึงบอกว่า รู้ปัญหาว่านี้คือปัญหารู้เหตุให้เกิดปัญหาว่าถ้าเรากระทำตอบต่อปัญหาเนี่ยมันจะเป็นเหตุเพิ่มจะก่อปัญหาเพิ่มรู้ความดับปัญหาว่าถ้าเรารู้ปัญหาอยู่ว่านี่คืออารมณ์อารมณ์นี้คือปัญหาปัญหาเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้และปัญหาถูกรู้หรืออารมณ์มันถูกรู้อารมณ์จะสามารถตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้อะไรก็ตามที่ถูกรู้มันจะตั้งอยู่ไม่ได้ อะไรก็ตามที่ยังไม่ถูกรู้มันจะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนี่ไหมเข้าสู่หลักของรู้กับไม่รู้อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารใช่ไหมถ้ารู้ปั๊บสังขารไม่เกิดตัวอารมณ์ก็จะดับตัวเพราะมันเองและปัญหาดี่แหละคือทางออกคือการรู้จักปัญหานั่นแหละนั่นคือทางออกคือรู้ปัญหารู้เหตุให้เกิดปัญหาและเห็นปัญหาปัญหาที่ผู้รู้ใ น, นดับไปเช่น เห็นเรื่องที่มากระทบจิตแทนที่จะโกรธไม่โกรธตัวนั้นก็ดับตัวที่กระทบมาเนี่ยมันดับตัวเข้ามันใช่ไหมพอดับตัวเข้ามันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไ ม, มันก็ดับปัญหาเข้ามันแล้วเราก็รู้ความดับไปของปัญหาเมื่อคุณรู้ความดับไปของปัญหาและเมื่ออารมณ์กระทบอย่างนี้อีกทุกๆุคราวก็รู้ปัญหาอย่างนี้อีกรู้เหตุที้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกและรู้ความดับไปของปัญหาอย่างนี้อีกเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นผู้เจริญมากหรือเดินอยู่ในเส้นทางอย่างมาก นี่คือทางออกที่จะไม่ให้จิตของเราพัวพันและวนเวียนอยู่กับอารมณ์ซึ่งเป็นวัตตะที่จะวนเวียนอยู่กับชีวิตเราเพราะชีวิตของเราจะต้องวนเวียนอยู่กับอารมณ์พวกนี้ของโลกเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะโลกนี้ไม่ได้มีเหตุผลเหมือนอย่างที่เราคิดเราต้องการเหตุผลอะไรจากโลกมันไม่มีให้เราหรอกแต่เราต้องสร้างเหตุผลขึ้นมาในตัวของเราขึ้นมาเพื่อแก้ไขอารมณ์ของโลก ที่มันไม่มีเหตุผลนี้และเหตุผลเนี่ยจะสามารถทําลายอารมณ์ที่มีมีเหตุผลได้เพราะคาว่าอารมณ์มันปราศจากเหตุผลไปแล้วเพราะนั้นพระเจ้าจึงสร้างเหตุสร้างผลขึ้นมาให้เราได้เข้าใจว่าเขาไปรู้ปัญหาเข้าไปรู้เหตุให้เกิดปัญหาเข้าไปรู้การดับไปของปัญหาคือถ้าปัญหามันถูกรู้เมื่อไหร่มันจะดับตัวของมันเมื่อนะั้นคือเท่ากับเห็นการเกิดการดับนั่นเองบุคคลผู้เห็นการเกิดการดับได้ คือบุคคลผู้มีปัญญาเปิดไปเพื่อความชำ้มแนกิเลสถามว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผ ย, ยจึงรุ่งเรืองนี่มนุ์พระอาจารย์เทศไปไเรื่อยๆครูทองการเรียนรู้ ม, มีอยู่ขอโอกาสอย่าปิดเพจเลยนะครับเยใครนี่ชื่อข้างบนนะคะเกิดก็ใช่ก็ คืออันนี้เป็นชื่อนามแฉรู้ว่าคือใครตัวตนพูดถึงตัวตนคําว่า ต, วตัวตนนั่นหมายถึงว่าเช่นอย่างเงี้ยนั่งพูดอยู่นี้มีตัวตนจริงใครมาดูในเพจก็จะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เพจปลอมหรือเพจแอบอ้างคือมีตัวตนพูดอยู่ในนี้นานะคือคนพูดก็คือคนนี้แล้วการรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมานี่เ <c oughs> ขออ้าใจไหม <c oughs> ไม่เป็นไรมันมันไม่ไหวก็ปิดเทปแค่นั้นเองพวกเขาเยอะนะอาจย์วนเขามาักี uh, ่าออยเลย่าปิดเนะคะก็ให้มานั่งคุยกันอย่างนี้ก็ได้แค่คุยนั่นแหละเรัาสนาบางทีอย่างที่อย่างัยาหรืออะงามวคนเขาเยอะ เขาก็เหมือนเราเราไปนั่งเราเขาจะได้เข้าไปไม่ถึงแล้วมันไม่ได้เหมือนภาพเป็นเทียบกับการเรียนก็เหมือนอย่างเรียนกับอาจารย์ก็คือตัวต่อตัวอันนี้อย่าให้คนเยอะนั่นใช่ไหมคะคนเยอะมาไม่ได้ไล่หนีออกให้หมดขอคนให้น้อยพอพอได้เหมือนได้เรียนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยแต่พออย่างนั้นมันเหมือนนั่งเรียนในห้องรวมแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแล้วก็ฟังนิดเดียวซึ่งมันไม่ไม่เข้าใจจับประเด็นไม่ได้จับประเด็นเลยไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถที่จะถามหรือว่า โต้แย้งอะไรได้คือฟังแค่เดียวนักเทศน์เทศน์แต่เสร็จแต่กิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าปัญญาเราพวกเราเลยค่อได้เรามีความรู้สึกว่าเรามันมีหลายอย่างที่เป็นแง่คิดที่เราจะต้องปรับแก้เพื่อความเข้าใจแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่าเรื่องบางเรื่องซึ่งหลักคาสอนกล่าวไว้ชัดเจน แต่มันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจว่าทำไมสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนยังคงมีอยู่โดยได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ให้เรื่องที่ผิดจากหลักคำสอนนั้นยังมีอยู่ได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนได้รับการ น, นิยมและนำไปสู่พื้นฐานของจารีตประเณีที่จะต้องประพฤติร่วมกันในสังคม โดยมีคณะสงฆ์รับรองเรื่องราวเหล่านั้นที่ขัดแย้งกับพระพุทธโอปเนี่ยคือเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเรื่องผิดเลยที่คนจะเข้าใจหลักคําสอนทางด้านการปฏิบัติผิดไปด้วยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องผิดกันหรืออตาตมาอาจจะผิดก็ได้ เขาบอกเปิดธรรมจึงจะรุ่งเรืองคนที่เปิดธรรมมันตายไปหลายไปเยอะก็มีแล้วกันเนี่ยไม่ได้รุ่งเรือง่อ <laughs> <laughs> อกเปิดธรรมจึงจะรุ่งเรือง <laughs> คนทุกวันนี้ไม่กล้าเปิดก็ยังไมไ่กล้าพูดความดีไม่กล้าพูดความจริงเพราะถ้าพูดความจริงขึ้นมาในสังคมมันไม่ได้รุ่งเรืองเลยดยู่ยากนะไปไ ม, ไม่ถูก ไม่ถูกกับกระแสสังคมใช่กระแสสังคมเขาเขาไม่ต้องการสังคมจะตั้งปัญหาขึ้นมาพอตั้งคํําคาถามหรือตั้งปัญหาขึ้นมาคนที่เปิดก็อธิบายไปไม่ตรงกับประเด็นไม่ตรงจุดก็มีหลายๆอย่างจริงๆคนที่ต้องการเปิดมีเยอะแต่เปิดออกมาแบบผิดๆก็เยอะมันก็เลยเกิดปลายเป็นปัญหาขึ้นตรงเนี้ยมันเลยไม่รู้มเมือง กรณีตอนนี้อย่างเงี้เราไม่ได้นะจะมีรถติอ๊ะเอาไอ้ที่อะไรอยาที่ตักให้เงินทำผาป่ากระถินเออป่ากะถิ น, นมันทางตั้งหนุนมากแล้วแถวนี้านแถวนั้นพวก็จะรับกันไอเราบอกเราไม่รับก็ตรงนี้นแหละเห็น <c oughs> ไหมคณะคณะค ณ, ณะสังคมยังให้การยอมรับในสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งไม่ได้มองว่าไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความผิดหรือไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากันกับหลักคําสอน ก็ให้การยอมรับความผิดนี้มีอยู่ในสังคมมาจามันี่มาเป็นเรื่องแล้วก็ไอ้ขาตั้งศาลมีเงียบยนะที่แบบเต็มท้ายลกเลยอ่ะแล้วก็มาวางาาแล้วเดี๋ยวถึงเว้ก็มีก็บเก็บเ้เด็กั้งศาก็เก็เ็เยอะมากเงินเยอะมากก็ไม่เป็นไรก็พอไม่ได้พอมาตั้งที่ร้านบอกไม่ออา อันนี้คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านซึ่งก็คือคนในสังคมนี้เองอแล้วก็ได้แค่แล้วก็ได้แค่เฮ้ยอย่างนั้นแหะนะหันไปทางไหนพึ่งใครก็เฮ้อไม่มีใครเอาไม่มีใครแก่นะระวังเสียงดังเข้าไปในนี่ระวังเน้อหนิเดี๋ยวไปจัดหาต้นตอของเสียงเน้อเข้ามาวางตลอดอะวางเสร็จแล้ว อาารย์นะแ่ตอนนี้อาจารย์ที่บอกว่านั่งที่ชูมีที่บอกว่านั่งข้าเมเวกนานน ะ, ะใช่ถ้าเรามองในแง่ว่านั่งไปเหมือนที่พระอาจารย์เคยไปสอนนะคะนั่งเพื่อให้ดูเห็นเห็นอาการเกิดวความเจ็บปวดขึ้นในร่างกายเขาสามารถก้าวข้ามอาการเห็นความเจ็บปวดนั้นไปสู่อีกจุดหนึ่งที่พ้นจากความเจ็บปวดได้นั่นคือการบรรลุถึงหรือความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาเ ข, าข้าถึงได้ เขาเขายึดถือกันอย่างนั้นเท่าที่สนานาแล้วพูดคุยกันทันนี้ถ้าถ้ามาทําตามอย่างที่ท่านสอนนะคะพอเกิดเรีนนานะก็ดูดูมันแล้วก็คิดการนามันไปไม่นั่งนั่งปวดปวดขาก็เปลี่ยนอิริยาบถที่ผู้ที่จำไม่ได้ให้นั่งไปตลอดการผู้ที่จำก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถไงแต่จิตที่กําหนดรู้อย่าเปลี่ยนเข้าใจไหม จิตที่ตั้งมั่นในการรู้อยู่อะไรอยู่ในเวลานั้นนะอย่าเปลี่ยนแต่อิเลียบทเปลี่ยนไปสิยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปแค่นั้นเองจะไปยุ่งอะไรกับเวทนาอันนี้ก็ข้ามเวนาได้เล้วที่จะพูดนะครับก็ง่ายนะต้องรู้ทั้งเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์ให้ทั้งเท่าๆกันไม่ใช่ก้าวข้ามเวทนาอันหนึ่งแล้วไปติดเวทนาอันหนึ่ง ดับไปเห็นอไรป็นหน้าที่ความสุขขึ้นมาก็ดูว่ามันเกิดขึ้นเนะดูมันดับแต่ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรหรอกก็คือได้ผลอย่างนั้นก็ถือว่ายังดีที่จิตถูกปรุงแต่งด้วยกุศลธรรมอยู่ก็ยังดีอยู่แต่ถ้าจะหวังเอาผลวัฏฏะออกจากวัตฏนี้ก็คงจำไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าทิศทางของพุทธศาสนาเราเนี่ย ให้เป็นไปในวัฏฏะให้เป็นไปเพื่อออกจากว็ตฏะเราได้ให้เป็นไปในวัฏฏะแต่ถ้าเรามาใช้ธรรมะวิจาณในขณะนั้นอ่านปวดเป็นทุกข์คือเข้าอริยสัจสีเลยถ้าใครเป็นผปวดอะไรแบบนี้ไดได้มีวิปัสสนามีปัญญาลู ใ, ในเวทนาตามความเป็นจริงเป็นผู้ตรวจสอบสวนปเป็นละเอีใช่ถ้าอย่างานั้นก็เปรียบเดีดูแบบให้มันเห็นรู้รู้ซื่อๆอยางนี้นอาบอก ซื่อเกินไปซื่อเกินไปก็ใช้ไม่ได้ไม่เกิดปัญญาอืมมันดักเป็นอย่างนเมากหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ปวดหัวใช่ไหม่เห็นการดับสักทีใช่ไหมแต่รู้จักแต่เห็นการอ่อนยังอยู่ตลอดไม่ใช่มัอ่อนนิดนึงอ่ามีอ่อนมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดแต่ให้หายทีเดียวมันไม่หายใช่ไหมอืม้ามนก็แปแต่ให้รู้ว่ามันดัก คือคืนนี้แปลกคืนที่แปลกคือก็อ 8, ออหลับไปแล้วรแล้วก็ฝันนงพอเช้ามาตื่นมาแล้วก็จิตพี่นาเองแล้ว่าโอ้ขนาดเราหลับไปเนี่ยจิตก็ทำงานนะแล้วพี่ก็ จ, จําความฝันได้นะตอนเช้านะก็ะตื่นต อ, ต 5, อนตีห้าขอให้ตับปลุเขึ้นมารลพี่นาจิตว่าเออเห็นไม่ไม่ช้าก็เห็นชัดตัวเองว่าขนาดเราหลับเนี่ยจิตมันก็โลดแล่นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรของมันนะ แล้วจิตมันก็คิดเองนะพิญญ า, ย อ, า อ, อยู่ว่าโอ้เหมืนที่เนี้ยขนาดเราเราหลับไปนะมันก็ยังแบบว่ามีทำรื่องทำนี่อะไร น, น, นะเมื่อเช้ามันเริ่มแปลกสิเจนว่า เ, ออเราเมื่เคยอยู่ดีก็พิญญาขึ้นามาเขาเริ่มเล่นเมย์แล้วเออว่าเออไ่ได้ได้พิจรารณาจิตได้รู้จากการพิจรารณาจิตแล้วแต่ก่อนไม่รู้จากการพิจรารณาจิตแปลกเพราะว่าดูพิญญาการตั้งข้อสังเกตตั้งการวิเคราะห์ ข, ขึ้นมากับเรื่องราในจิตเนี่ยมันจะนําไปสู่การสืบค้นหาความจริงหาความรู้ อันนี้จะปิดไปเพื่อปัญญาเช่นทําไมเราต้องนั่งหายใจอยู่ไม่หายใจไม่ได้เหร อ, อแต่ต้องคิดคิดอยู่ในหลักของความจริงนะ <c oughs> ถ, ถ้าคิดไฟฟุ้งซ่านกเบเศษอีกแหละเป็นพวกอะไรอาจินไตอีกอะถ้าอยู่ในหลักของความจริงจะจ ะ, จะมันจะมีบทสรุปแล้วก็เกิดความรู้ตามความเป็นจริ ง, งนี่นนะแต่ถ้าคิดฟุง้งไม่มีไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อันนี้ก็เป็นอาจินไต กินใจก็นําไปสู่ความเป็นบ้าอย่างนั้นแหะทำไมเราต้องมานั่งหายใจทําไมต้องกินข้าวทําไมเราต้องมานอนไม่นอนไม่ได้เลยได้ไหมไม่ได้จริงเหรอขังขันจริงเหรอไม่นอนไม่นอนไม่ได้ขังขันได้มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นสาวกของผู้ไดเจ้าไม่นอนเลยตลอดชีวิตได้ตลอดชีวิตเลยนะไม่นอนพระสารีบุตรไม่เอนหลังลงพื้นสิบหกปี พิกซู ร, รูปหนึ่งไม่เอนหลังเลยตลอดชีวิตเลยแต่อายุสั้นอายุสั้นแล้วก็ไม่ไม่อะไรคือเสียชีวิตเร็วดับขันปริพานหรือจะเป็นอะไรไปมันมันก็ต้องดับขันอยู่แล้วไม่เห็นเป็นอะไร ยังไม่อยากจะดับมันตอนนี้ภาลัะคืออะไรภาระคือสิ่งที่ต้องสานต่อไม่ใช่ภาระงคือต้องดับกิเลสนี่เหรอหรือภาระงที่จะต้องต่อกิเลสอ๋อยังมีภาระที่จะต่อกิเลสอยู่ก็ว่าไปถ้าจะต่อกิเลสก็ต้องไปสักษาไม่มีที่สิ้นสุดอีกนั่นแหละแต่ถ้าเป็นภาระงเพื่อได้จะดับกิเลสเลี้ยงลูกอยู่ก็ดับกิเลสได้ดูแลลูกอยู่ก็ดับกิเลสได้ คริ่มคิดน้องว่าก็สิ่งที่กําลังดูแลอยู่น่ะเป็นข้อปฏิบัติใช่คือเราเปลี่ยนแนวคิดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เรานี่ยังยังโผล่ลูกอยู่ธรรมดาไงเป็นเรื่อปกติแต่จริงๆเราเปลี่ยนจิตใหม่ไงไม่ต้องเปลี่ยนมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นตั้งตั้งใหม่ไงว่าเปลี่ยนความเห็นความเห็นใหม่คือว่าเราก็ทำหน้าที่ขราให้ดีที่สุดในทุกเวลาทุทีเมื่อเราดับไปเมื่อไหร่ก็เรื่องของสิ่งที่เหลือละอีนี้เองไปหวงก็ ตายไปเป็นจิตไปไปีต right? the right? oh, ่อแล้วก็ห่วงก็ถูกแล้วห่วงอยู่แต่ก็พยายามคิดถือว่าทําให้ดีที่สุดถึงจุดหนึ่งถ้าเราต้องไปอันนั้นก็กรรมของมันบนเลกนี้แค่นั้นละแต่ตอนที่ยังมีอยู่ก็คือยังห่วงอยู่นั่นเป็นธรรมาเนาะไม่ห่วงมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ห่วงในขนาดที่ว่าอุ๊ยถ้าตายไปแล้วจะมันจะอยู่ยังไงตายเนี่ตายไปแล้วก็เหลือองมันแล้วแต่คือแค่วินาทีนี้วินาทีนี้ก็คือจะพยายามทําให้ดีที่สุดอะไรนี้ ทำยังไงได้บ้างมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะพอแล้วแค่นี้นะผูดไปมากกองอาันรย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์ว่าสุภุญญาคนที่ก็เคยเป็ก็เคยนั่งนะเอ็งจุบินใช่ไหสมัยมีอยู่วัดเดินขงข้านั่งนี่นะแล้วก็ลงก้อนานแล้วไม่ต้องพูดหรอกเอาปัจจุบันนี้ไม่ใช่คือเรื่องคำว่ากำลังว่าคนที่นั่งอ่ะก็คือเก้าข้ามเวทนาปั๊บแล้วมันจะสงบนิ่งนะอาจารย์ อันนี้คือที่ตามหลักของพุทธศาสองคือไม่นิ่งคือโยดใช่ไหมฮะเข้าใจกันว่าคือจริงๆมีความสงบนิ่งก็คือความว่างเฉยๆมันก็ไม่ได้ดีด้ยสีดาบทก็นั่งกันมาก่อนแล้ว อ, อ, อุทกาศดาวบทอาราธ ด, ดาบทนั่งมาก่อนแล้วและเจ้าไทยศรีธาตุบรรพชิตก็นั่งมาก่อนแล้วการที่พง์ทรงปฏิญาณตนเองว่าเป็นพุท ธ, ธด้วยเหตุอะไรไม่ได้เหตุจากการนั่งสมมงบนะะ วันที่พงษ์ทรงตัดสรู้พง์นั่งคิดอยู่ทั้งคืนคิดไข้ควรอยู่จนรุ่งแจ้งสว่างไม่ได้ไปนั่งสมบปัสจาความคิดนี่แค่อย่างนั้นนะไม่ได้ไปนั่งก้าวข้ามเวทนานะผ<ด>ู้ทีเจ้าคิดอะไรตามประวัติผู้ทีเจ้าคิดอะไรคิดเห็น<จ>คิดไปเห็นอดีต ใ, <น>ใช่ไหมบุมเบนิวาสานุสติยาง ส่งความคิดอันประกอบด้วยยานไปสู่อดีตว่าก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมากก็ไปทราบการการเกิดแต่อดีตความเป็นอยู่แต่อดีตและอดีตก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมากก็ไปทราบกอดีตก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก็ไปทราบา ก, นนาราก่บกอนหน้านั้นหล่ะก็ไปทราบก่อนหน้านั้นอีกหล่ะทราบก่อนก่อนก่อนไปอีกหล่งก็ทราบท้าลุทยถ้ลวงไปลดลูดจนถึงกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้แล้วจุดเริ่มแรกแห่งการเกิดมาจากไหน ทีนี้ปุบเบนิวาสารนุสติยานไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะมันยืดยาวนานเหลือเกินย้อนไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นมันเริ่มแรกจริงๆมาจางไหเป็นตัวตั้งต้ น, นแรกๆมั น, ม, น, ม, นมันไม่รู้รปุบเบนิวาสารนุสติยานให้รู้ให้รู้แต่ว่าชาติคนหลังเป็นอะไรมาฉันเองเกิดในกูลไหนใช้ชีวิตอย่างไรอยู่อะไรอยู่ในฐานะแบบไห น, น ก, ก็ก็สราบอย่างนะั้น แต่ไม่รู้จุดเริ่มแรกว่ามาอย่างไงเมื่อไม่รู้จุดเริ่มแรกไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เลยสรงใจไปในการการจุดรู้จุดติอุบติว่างั้นคนที่อยู่ในโลกนี้เมื่อตายแล้วจะไปอย่างไรใช่ไหมก็เลยรู้การปฏิอุบติของสันต์ว่าบุคคลผู้กระทำกรรมชนิดนี้ไปสู่ภพอย่างนี้ทำกรรมดีไปสู่ภพดีทำกรรมไม่ดีไปสู่ภพไม่ดีพงกระซากไงแล้วมีบุคคลไหนไหมที่กระทากรรมแล้ว ค้นออกจากการเกิดเลยทั้งปวงในสารพพบสารสภูมิมีไหมกดทรงยานข้าไปในจุดูปา ร, ปรตายานคิดความคิดอันประกอบด้วยยานก็น้อมไปก็ไม่เห็นไงว่าใครจะค้นออกไปจากสารพพบสารภูรมิก็เห็นอยู่สารเพพบสาเภูมิก็เกิดตายออกจิต ด, ดับนี้มาจุตินี้แวบออกแค่นี้ไปอยู่โน่นกวนอยู่นีนน่เดี๋ยวก็มนุนเดี๋ยวก็เทวดาเดี๋ยวก็พรเดี๋ยวก็สัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวก็เปรตเดี๋ยวก็ผีปีศาจ อสุรกายแล้วก็นรกแล้วก็เทวดาวนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีทางออกเลยเหรอนี่ะจุดเริ่มแรกก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนพราะถ้ารู้จุดเริ่มแรกก็จะสามารถดับมันได้เนยจุดสิ้นสุดก็ไม่รู้จาสิ้นสุดตรงไหนก็เห็นแต่การเวียนว่ายอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แล้วทําไมพระเจ้าถึงสามารถจับประเด็นของปฏิสุบาทได้ทําไมพระองค์ถึงสามารถคิดเรื่องปฏิสุบาได้รู้ไหม ไม่รู้ใช่ไหมถูกต้องความไม่รู้นี่แหละพวกเลยเอามาเป็นโจทย์เพราะไม่รู้นี่แหละเขาอดีตเขาไม่รู้ไงว่ามาจากเริ่อแรก่วันอย่างไรอนาคตจะสิ้นสุดที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อไอ้ความไม่รู้นี่ยไอตัวปัญหาไอ้ความไม่รู้นันเป็นความคิดที่มีใครสามารถคิดในเวลานั้นคุยว่านั่งคิดอยู่คนเดียวอยู่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิปัชิมยามแห่งลาติอ๋อความไม่รู้นี่ไอความรู้มาจากไหนเลยเนี่โอก็ตั้งปัญหาไงเป็นประเด็น ตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อหาคําตอบไอ้ความไม่รู้มาจากไหนมันไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ในสังขารนั่นแหละจึงก่อให้เกิดสังขารสังขารคือะอะไรเป็นผู้ปรุงแตง่งอะไรเป็นผู้ปรุงแต่งบุญกับบาปเป็นผู้ปรุงแตง่งขุศสสังขาร น, นะขู่สสังขารใช่ไหมละ่ะเป็นผู้ปรุงแตง่งเมื่อเกิดการปรุงแต่งในจิตทั้งบุญและบาปการปรุงแต่งนี้นําไปสู่การสื่อต่อปฏิสนธิยึดถือบนก็สื่อต่อบุญยึดถือบาปก็สื่อต่อบาป ตัวที่จะสืบต่อให้เป็นไปในภพบุญสืบต่อภพที่เป็นสุกรติบาปสืบต่อภพที่เป็นทุกขะติปฏิสนที่วิญญาณสืบต่ออย่างนี้นก็เป็นเกิดนามรูปมีมีนามรูปขึ้นเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะมีอายตนะก็มีภาษาภาษาก็มีเวทน า, า, า, า, า, านั่นหมายถึงว่าเมืเกิดเป็นเทวรามีนามรูปของเทวราก็มีอายตนะของเทวราก็ภาษาอันเป็นสุข เกิดมีนามรูปของมนุษย์ก็สัมผัสมีอายตนะของมนุษย์ก็สัมผัสสุขทุกข์ของมนุษย์เกิดสัตเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนามรูปของสัตว์เดรัจฉานก็สัมผัสสุขทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตก็สัมผัสสุขทุกข์ของเปรตเกิดเป็นนรกก็ไปสัมผัสทุกข์ของนรกสุขไม่มีนรกไม่มีสุขเพราะมีแต่ทุกข์อยู่ในนั้นโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยคือไม่มีสุขเข้าไปขั้นเลยไม่มีความสบายก็ไปขั้นเลย ทุกตลอดไม่มีระหว่างขั้นก็ได้รับอายตนะก็รับลับกระทบผัสสะอันเป็นทุกอย่างนั้นทุกเป็นไปได้ที่เกิดผมก็สงสารแต่ที่ผมก็ประมวลปัจจุบัน ท, ทั้งหมดลงสู่ปัจจุบันจิตเมื่อไม่รู้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในจิตในอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่รู้นั่นแหละจะเกิดการอยากลงของขันเพื่อยึดถือคืออุปทานขัน อุปทานขันคือการยึดถืออารมณ์น like ั้นด้วยความไม่รู้ยเช่นเห็นสิ่งใดก็ตามไม่รู้ในสิ่งที่เห็นมันยึดไปแล้วเป็นอุปทานไปแล้วอุปทานในสิ่งที่เห็นไปแล้วนะการยึดถืออุปทานในสิ่งที่เห็นนั้นอะปั๊บพอใจไม่พอใจเป็นกุศลสังขารอกุศลสังขารทันทีตรงนี้หรือว่าเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งที่เห็นนี่ดีหรือสิ่งที่เห็นนี่ไม่ดีก็เป็นกุศลสังขารอกุศลสังขารอยู่ในนั้น คือมันไม่รู้แล้วมันก็คุงแต่งอยู่ในนั้นในสิ่งที่เห็นปั๊บก็เกิดการสืบต่อสิ่งที่เห็นนั้นสืบต่อตัวของมันคือให้เห็นให้ได้รับอารมณ์ในสิ่งที่เห็นนั้นอ่ะสื่อต่อตัวของมันให้เป็นอารมณ์เหล่านั้นคงอยู่เราจึงเห็นว่าอารมณ์มันมีอยู่มันคงอยู่มันตั้งอยู่เพราะมันสืบต่อตัวของมันเองแต่ถ้ารู้ทันทีในสิ่งที่เห็นปั๊บมันจะไม่สื่อต่อมันจะดับมันจะไม่ปฏิสนธิวิญญาณการรับรู้ในสิ่งที่เห็นนั้นมันจะไม่สื่อต่อตัวมัน เข้าใจไหมเมื่อเมื่อมีการสื่อต่อก็เกิดนามกับรูปขึ้นเห็นสิ่งที่ดีก็กายสังขารก็รู้สึกดีรูปประขันรูปประขันก็เกิดขึ้นที่เป็นรูปกายสังขา น, นี่ฮนะคือความรู้สึกอันที่ดีกระตุกบบกายก็เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นก็เป็นสัญญาขันความอาการที่แสดงออก ทางเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นเวทนาขันสิ่งที่คิดในสิ่งที่เห็นนั้นก็เป็นสังขารขันี้การรับรู้ในสิ่งที่เห็นก็เป็นวิญญาณขันนำกับรูปประกอบกันพร้อมจากนั้นก็เกิดเป็นอายตนะสิ่งที่เห็นปั๊บยึดถือไว้ในใจสิ่งที่ยึดถือไว้ในใจก็กระทบกับใจอายตนะเป็นมานายตนะกระทบกับจิตกระทออบอยู่ในข้างในคือมันกระทบอยู่ภายใน คือตัวผัสสะนั้นอ่ะมันรับรู้อยู่ภายในเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรู้เฉพาะในตนเองคือเรื่องที่ตั้งอยู่ในใจนั่นแหละมันต้ก็กระทบใจใช่ไหมละ่ะเพราะมานายัตนาเป็นตัวรับมันก็จะรู้อยู่ภายในมันก็เกิดผัสสะอยู่ภายในที่นี่นผัสสะแล้วผัสสะอีกอยู่นนั้นก็เป็นเวทนาแล้วเวทนาอีกอย่างนั้นถ้ารู้เวทนอีกก็เป็นตัญหาแล้วปัญหาอีกก็อยู่ในนั้นขณะนั้นอ่าเดียวกันพี่เจ้าก็เลยบอกว่าถ้ารู้ในขณะ น, นั้นที่เห็น รู้ขนาดที่เห็นรู้ขนาดที่ได้ยินรู้ขนาดที่ดมกลิ่นรู้ขนาดที่ริ้มรดรู้ขนาดที่ถูกสัมผัสทางกายและรู้ขนาดที่อารมณ์เกิดกับจิตมันก็จะดับอุปทานขันทั้งหมดอุปทานขันทำหน้าที่ในตัวของมันแต่ผู้ที่รู้นั้นจะไม่มีอุปทานในอุปทานขันแค่นะั้นกระบวนการทุกอย่างมันก็ดับตัวของมันเอง มาถึงเรื <laughs> <laughs> ่องนี้มาถึงเรื่องนี้แล้วก็ดับหมดแล้วมีอะไรฮะมิจะพูดคือเมืไหร่ซีรัชซีรัชกันเลยมันดับแล้วอ่ะมันยังไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขณะเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้มันอยู่แค่นี้ก็ได้ใช่ไหมถ้าคนไม่รู้ก็ก็หลงต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อเจ้า เมื่ออง์ทรงตัดสรุปได้น้ำว่าพุทธะเขตรงที่พง์ทรงเข้าใจหลักการเนี่ยอย่างแยบขายแล้วเป็นปัญญาอันรู้แจ้งแล้วพงก็สรุปทั้งหมดในปฏิสุบาททั้งหมดไว้ที่อริยสัจสีว่าตัวก่อทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่รู้สมุทัยเป็นเหตุที่ควรละนิโรธคือสิ่งที่ควรทาให้แจ้งมรรคคือตัวเราเนี่ย ต้องสร้างมากขึ้นสร้างความเห็นที่ถูกต้องขึ้นเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกโคกระสุปรวมความรู้ทั้งหมดจริงๆพคไม่ได้สุบรวมหรอกแต่ความรู้แจ้งกอให้เกิดการเห็นอริยสัจอัตโนมัติมันจะเห็นอริยสัจจิตดวงใดก็ตามที่เข้าไปทำลายความเห็นผิดในจิตได้มันจะเกิดการรู้อริยสัจขึ้นในจิตแบบรู้อริยสัจอัตโนมัติไม่ใช่รู้อริยสัจแบบไปกําหนดรู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตุที่เกิดทุก ตอนแรกๆเราต้องอาศัยการกันหนดรู้ก่อนแต่พอมันเกิดความรู้แจ้งจนสามารถทำลายอาสวัตเบื้องต้นได้มันจะเป็นความรู้อริยสัจแบบอัตโนมัติทันทีเลยคือรู้ไปเลยรู้อริยสัจเลยอย่างเงี้ยรู้เลยรู้ไม่ต้องไปคิดว่าอันนี้คืออริยสัจไม่ต้องมันจะเป็นอริยสัจในสายตาของบุคคลผู้รู้แจ้งในสัจจแล้วทุกจะเห็นทุกอย่างผ่านอริยสัจเองอัตโนมัติ ก็ในอริยสัจนั้นก็จะทําให้จิตนั้นไม่ตกต่ำก็เรียกว่าเสาหลักใหญ่เสาหินใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศชันใดบุคคลผู้เห็นอริยสัจแล้วย่อมไม่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทําที่บากระพบจิตก็จะไม่ไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้ถูกกระครบยังไงก็ไม่หวั่นไหวก็ตั้งมัน่นพอเห็นอริยสัจถ้ายังไม่เห็นอริยสัจก็ยังหวั่นไหวอยู่ยังคอนแคลนอยู่ โยกคลอนได้อยู่แปรปวนได้อยู่หานะความคงที่ไม่ได้เป็นอนิยตัดไม่แน่นอนในวัตต์ดังนั้นพระยาจึงตัดถึงองค์คุณแห่งความเป็นพระสวัสดิบัณฑ์ผู้เห็นอริยสัจที่มีทิฏฐิสมบูรณ์แล้วว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรุปในเบื้องหน้าเป็นนิยตัดบุคคลบุคคลผู้เที่ยงแท้ที่จะพ้นจากวัตต์แน่นอนอยย่างี้ทีนี้ก็อยู่ที่ การฝึกผลของเราว่าเราจะถูกผลให้เข้าใจตามหลักคําสอนได้แค่ไหนใช่ไหมปุริชาเราก็นั่งคิดอยู่ระนาดทั้นนะทงคืนคิดจนตัศรู้ไม่ใช่นั่งสงบได้เกิดการตัศรู้และไม่ได้ก้าวข้ามเวทนาใดๆแต่การทีออร่โพงทรงนั่งต่อหลังจากที่โพงตัสรู้แล้วโพงทรงนั่งต่อนั่นคือโองเสวยสุขไม่ให้ก้าวข้ามเวทนาแต่เสวยสุขอันเกิดจากบิมุตของความหลุดพ้นของจิตนะ่ะที่เหตุอริยสังข์ ถึงไว้สุดวีเจ็ดวันจนเทวดาสงสัย ส, สงสัยว่าอะไรสิทรัตถะบัณพชิตคงจะยังไม่สําเร็จสัมมาสททัมโพธิญาณตามความปรารถนาจึงไม่สมรูปอย่ากที่นะั่นสงสัยเทวดาสงสัยไงพุทเจ้า ก, ก็ทราบความคิดของเทวดาไงอ๋อสงสัยว่าเราไม่บรรลุเหรอพวกบรลุกขึ้น อ, ออกจาก ใต้่อนภ ษ, ษีมหาโพธิและเดินจุกลงเป็นรัตนะจมุมกลมรัตนะจุมกลมเจดีย์แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปเดินจุกงมโอแสดงยามากัลปฏิหารก่อนแต่แสดงแบบย่อยๆให้เทวราทราบให้เทวราเข้าอาสาจัดคือคลายความสงสยัยคลายความครังแทงใจว่าหลวโปูสุกัสสุรูแล้วสําเร็จกิจแล้ว สแสดงยงม ก, กักปฏิหารแต่ไม่ใช่ยมกักรปฏิหารแบบสมบูรณ์เป็นเพียงแค่แสดงแบบ อ, อ่อนๆใ ห, ให้ให้ได้เห็นท่านดีชุ ด, ดเล็กอาจารย์เทวดาชุดเี้อยู่ต้นไม้นะคะต้นโพธิ์นะรัเจ้าแสดงยงม ก, กักปฏิหารอยู่สามครั้งครั้งแรกต้นภาษีบังโพที่ครั้งที่สองอยู่ท่ามกลางเหล่าประยุท์ญาต อันที่สามเมืองสังกัดสัตวนครอันนั้แสดงจัดเต็มอันนั้นชุดเต็มเลยชุดใหญ่อันแสดงต่อภาพยนตร์ยักษ์ยังยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์ยังครึ่งคึ่งอยู่มแสดงอะไรนะข่าวไทที่สมบูรณ์นะเมืองสังกัดสัตว์นครที่เมืองนะใช่ตีที่เมืองนั้นก่อนที่โค้งจะเสด็จไปสู่ดาวดึงเทวโลกไปโปรดพุทธมานา องบอกว่าจะแสดงปฏิหารยามากาศปฏิหารอยู่เหลือต้นต้นมะม่วงทีนี้พวกเดลทีได้ยินว่าผู้องค์ทรงทรงจะแสดงยามากาปฏิหารประกาศไปทั่วทั้งเมืองว่าผู้เจ้าจะแสดงปฏิหารที่ต้นมะม่วงพวกเดลทีทั้งหลายต้องการที่จะทําลา ย, ยความเชื่อมั่นของคนในเมือง <laughs> ทำลายความเชื่อมั่นของคนในเมืองว่ามันให้ผู้ได้เจ้าแสดงปฏิหารที่ต้นมะม่วงก็เลยไปสั่งคนให้ตัดต้นมะม่วงให้เตียนโล่ดเลยไม่ให้มีมต้นมะม่วงเหลือสักต้น<ม>เพื่อที่จะให้คำของผู้ได้เจ้าเนี่ยผิดไปจากคำที่พงศ์ทรปฏิญาณไว้ประกาศไว้คนจะได้ไม่รับถือสั่งให้คนตัดต้นมะม่วงให้หมดเลยไม่ให้เหลือสักต้นในเมืองนั้นทีนี้าาพระอนุลก็มากราบคุณผู้ได้เจ้าเขาตัดมะม่วง ทิ้งหมดแล้วพระเจ้าข่าแล้วคงจะแสะดงปฏิหารที่เหมือต้น ม, มังได้ที่ไหนละ่ะ<ค><ณ>ง่ายเลยปฏิหารม้วนขึ้นมาเลยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอนุษย์ยังไงพระตถาคตเจ้าก็จะแสะดงปฏิหารยามากับปฏิหารที่ต้น ม, มังโมงมนเดินมาแหละไม่เปลี่ยนหรอกจะเอาต้นไหนไม่มีสักต้นหรืเหลือสักต้นหรือเอาต่อแล้ว ทีนี้ก็มีคนเอามะม่วงมาถวายพระพุทธเจ้ามีมะม่วงมาสองลูกมั้งถวายพระพุทธเจ้าลูกหนึ่งน่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือหรือพระราชาหรือไม่แน่ใจชาวบ้านทั่วไปอาจจะเป็นชาวบ้านในในท้องเรื่องจำไม่ได้เอามะม่วงมาถวายพระพุทธเจ้าลูกหนึ่งเขาก็ะปอกมาถวายพวงก็เสวยฉันเสร็จแล้วพวกก็บอกว่าเอามะเม็ดมะม่วงเนี้ยไปปลูกไปวางบนพื้นดิน แล้วผู้จ้าก็ล้างมือลงไปตรงที่เม็ดมะม่วงนั้นพ อ, อล้างมือปั๊บลากก็อย่างลงสู่พื้นใบก็แต ง, งมหมอเงยขึ้นอยูทีนี้กลายเป็นต้นมะม่วงที่มีลำต้นที่เทียบพร้อมสมบูรณ์ทุกปากากระ ก, การมีกิ่งมีก้านมีใบพร้อมในเวลานั้นผู้จ้าก็ได้เวลาที่เราจะแสดงปฏิหารแล้วเกาะขึ้นไปนนเหนือต้นมะม่วงก็แสดงปฏิหารยามากัดปฏิหาร <c oughs> ย่ามากัดแปลว่าคู่ คืออะไรนะคู่ยมกยมกไมยมกยมกคู่ไม่ยมกยามากัดยมกอะไรคือคู่คู่คู่คือพระองค์เนรามิดพระองค์อีกพระองค์หนึ่งเข้าใจไหมเนลมิดกายร่างหนึ่งไม่ได้แย่คือเนลมิดที่เราดูหนังอินเดียก็มีใช่ไหมที่ว่ามีสองร่างใช่เนลมิดร่างหนึ่งให้เป็นร่างของพระทพุทธองค์เองเป็นพุทธเนรามิดอีกร่างหนึ่ง ทำเหมือนกันเวลายืนยืนเหมือนกันเดินเดินเหมือนกันนอนนอ น, น, อนสีหัสยัดเหมือนกันและอีกท่าหนึ่งท่านท่านอนอีกพุทานเรมิตรเป็นท่ายืนสลับกันอย่างเงี้ย<ม>แต่ก็มีมีน้ําน้ํากับไฟพุ่งออกมาจากรูกลุ่มผลหมุนออกมาเป็นเกลียวเป็นเกียเเก่ยวพร้อมกันคู่กันมหมุนออกมาแล้วก็กระจายออกไปหอบตัว บนเหนือต้นมะ่วงอยู่เหนือต้นมะม่วแล้วคนนั้นจํานวนเยอะมคะพระอาจารย์ในเมืองนั้นเขาบอกว่าคนจํานวนเท่าไหร่หลายแสนมั้งเท่าไหร่สิบแปดกุเท่าไหร่หลายแสนอยู่หลายแสนคนในเมืองนั้นนะเทวาดาอีกจานวนมากที่ได้เห็นยมกัพปฏิหารแล้วแล้วตั้งจิตคิดอยู่ในใจว่าอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีจิต ด, ดวงใดเลยที่ไม่คิดว่าอยากจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าปาลบที่จะเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดในเวลานะ ป่าธนพุทธภูมิหมดเลยในเวลานี้เป็นแสนป่าธนพุทธภูมิเต็มไปหมดไม่ใช่นน้อยแต่อาจจะเยียดกันเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่นธรรมดาอยู่บนโน่นอยู่บนดุสิตยิมานเป็นที่อยู่ของโคที่สามผู้บำเพ็ญเนื้อหใช้นังเก่ามาใช้เนื้อหลาใช้แล้วนะคะหลังจากไหน ก็พูลงก็ไปสู่เทวโลกไงดาวดุบไปจำภาษาใช่ไปจัำภาษาอยู่บนเทวโลกพระอาจารย์เวลาท่านไปในทิศเฉยใช่มไม่ไม่ใช่ก็เก้าไปเก้าสามเก้าก็ถึงเทวโลกไปทั้งก็องเลยใช่ไหมใช่เก้าแรกเหยียบภูเขาอะไรคันท่ามากนะเก้าที่สองเหยียบภูเขามหาเมรุเก้าที่สามเหยียบถึงพรมโลก ประนี้แหละถ้าท่านท้องเรื่องเขาเก่าไวน้นี้อาจจะจําผิดจําถูกมาบ้างก<ม>็ขอขอภัยแต่ก็มันเป็นอย่างเนี้ยท้องเรื่องเข่าอย่างนี้พ<ม>อไปถึงอยู่บนดุสิตเฮ้ไม่ใช่ดาวบดเดือน<ม>ก็เกิดก็เกิดอะไรเกิดปัญหาของเทวดาขึ้นมาอีกถามกันอยู่บนเทวโลกถามกันว่าทําไมอังกุละเทวบุตรซึ่งนั่งอยู่มีอาสนะนั่งอยู่ข้างพระเจ้า อินทาาักษ์เทพบุตรก็มีอาสนะนั่งอยู่ข้างพระพุทธเจ้าแต่ทําไมาเทพชั้นผู้ใหญ่มาถึงเช่นพระอินมาพระพรมมาอาสนะของอังกุละเทพบุตรทําไมถอยล่นไปอยู่ท้ายแถวนู้นทาไมอาสนะของอินทาาักษ์เทพบุตร ย, ยังอยู่ที่เดิมซึ่งเป็นเทพชั้นผู้น้อยเหมือนกันทําไมกระสงสัยขึ้นผู <S S S S ้เจากะตอบคําถามให้ เคยเล่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าซ้ำๆกันไปแล้วมก็เ่โตกี่กีันนะพระาจาโตีวันั้นกดดาวาดดึงสามเดือนสามเดือนจะเปลเทียบก็จำภาษาไงพระอานรยถ้าพูดถึงสามเดือนโลกมนุษย์อ่าสมเดือนโลมนุษย์ก็คงจะไม่กี่นาทีมากไม่กี่ชั่วโมงมากอยู่บนนู้นประมาณเนี้ย แล้วพระมารดาก็ให้สบรรลุถึงสิงนแล้วโสดาปฏิผลโสดาใช่ไหมแล้ก็จะไปแบตต่อท่านใช่พอแล้วโสดาปฏิผลพอแล้วเที่ยงแค่ในการแตะสรู้คนที่ยังไม่ได้โสดานี่นอันตรายอ <c oughs> อาวัตถะมันยังยืดยาวนานเลยไว้ใจไม่ได้นะ <c oughs> เรื่องของวัตถานี้หาข้อยุติกับมันไม่ได้นี่ไปอีกยืดยาวนานมันมีแต่จะสื่อต่อกับสื่อต่อไม่มีการยุติให้เรามีแต่ พระนิพพานเท่านั้นที่จะยุติการสื่อต่อได้ตามใดที่ยังไม่เห็นพระนิพพานอย่าประมาทในชีวิตอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปเฉยๆตั้งใจใส่ใจพินิจพิจารณาหาทางที่จะออกจากวัฏฏะให้ได้ทางออกมันมีอยู่วิธีปฏิบัติมีอยู่ข้อปฏิบัติมีครบถ้วนอยู่ส่วนมากความเข้าใจของพวกเราไม่ค่อยจะถูกต้องมันเกิดปัญหาขึ้นถ้าความเข้าใจถูกต้องมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลย ปัญหาคือเราเข้าใจหลักธรรมไม่ค่อยถูกอาตมาก็เหมือนกันนะปฏิบัติตอนที่ยังไม่เข้าใจ ม, มันก็เป็นมันก็เป็นมิจฉาความรู้ขึ้นมาเหมือนกันตอนที่ยังไม่เข้าใจนะ่ะนฝืดเคืองด้วยปฏิบัติก็ฝืดเคืองไม่ใช่บัตรตนเองมีรู้นะั้นรู้สติปัญญานสีน่นิรู้สมัมมาปัญญานสี่นิรู้อินทรีย์ห้ารู้พละงห้ารู้โคตรทรงเจ็ดรู้มรกคแปดรู้ ทำไมยังไม่รู้ความรู้มั น, มนอยู่แต่ว่ามันไม่เกิดการบรรลุถึงตอนขณะที่ปฏิบัติเ mm hmm. พราะอะไรเพราะไม่เข้าใจพอมาเจอหลักคําสอนสกิดใจนิดเดียวคือหลักคําสอนของครูมั่นว่าหากไม่เห็นชัดซึ่งการเกิดและการดับของขันห้า 5, ไม่มีทางรู้จักสัจธรรมได้แค่นี้เองมันสะกิดใจจะรู้มากแค่ไหนก็ตามจะปฏิบัติมาแบบไหนก็ตามจะศึกษามาในแนวไหนก็ตามทุกแนวทุกข้อปฏิบัติทุก การบําเห็นหากไม่เห็นชาติซึ่งการเกิดและการดับของขันห้าไม่มีทางรู้จักสัจจ์อาจเป็นที่ดับทุกได้สัจจ์คือเรื่สั่งทสะกิดใจตรงนี้ก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาเราจะรู้จักขันห้าเกิดดับได้อย่างไรเนี่ยก็เข้าไปหาศึกษาทีนี้ขันห้าเป็นยังไงขันห้านี่ก็รู้ไม่ใช่มไม่รู้นะแต่ว่ามันเกิดมันดับยังไงตรเนี้ย หลปบ้านบอกให้เห็นความจริงเกิดขึ้นในใจแล้วก็เห็นความดับไปจริงจริงของอารมณ์แล้วพิจารณาลงสู่ขันว่าเป็นขันอะไรเกิดและขันอะไรดับตรงนี้เวทนาขันสัญญาขันสังขันขันหรือวิญญาณขันแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่ามันเกิดมันดับต้องรู้ก่อนว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขันคืออะไรวิญญาณคืออะไรรู้รู้รู้รู้ให้ครบรู้จริงๆรนะแล้วก็กําหนดทราบการเกิดการดับว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงแล้วก็เห็นความจริงที่เกิดที่ดับนั้นตามความเป็นจริง ขนาดนั้นขนาที่เกิดนั้นต้องเห็นขณะที่ดับก็ต้องเห็นดับลงไปที่ไหนก็ต้องเห็นเกิดจากไหนก็ต้องเห็นเ<ไ>มื่อเรารู้ชัดว่าเกิดจากไหนตั้งอยู่ยังไงระดับลงชัดลงไปที่ไหนเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็มีสติไม่หลงลืมการเห็นการเกิดการดับในครั้งต่อไปก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยภายในเจวันนี้ขอให้ทราบขอให้รู้เรื่องจากการปฏิบัติโดยการเห็นขันห้าเกิดดับนี้ ขอให้รู้เรื่องพวกมันถ้าไม่รู้เรื่องขวกมันแล้วก็ <c oughs> คงจะไม่มีอะไรก้าวหน้าไปกว่า น, นี้เพราะคงจะต้องออกมาใช้ชีวิตทางโลกภายนอกเนี่ยตั้งใจาอย่างไงมันไปรู้วันที่เจ็ดพอดีแล้วก็รู้อย่างนั้ น, นจริงเป็นการทําลายล้างอาสวะในจิตมันทําลายล้างหน้าตามหลักคําสอนที่หลวง ป, ปู่มั่นกล่าวไว้ตรงเป๊ะเพราะนั้นวิธีการที่จะไปทําลายล้างอาสวะคือไม่เห็นขันห้าเกิด ไปเห็นอย่างอื่นก็แม้จะรู้อย่างอื่นก็แค่เพียงแค่รู้องค์ธรรมแต่ไม่รู้ตัวธรรมตัวที่จะปฏิบัติทีนี้พอพอมันทําลายล้างอาสวะกิเลสในขณะนั้นได้พวกองค์ธรรมที่เราเคยรู้มันไหลรวมสู่จิตเป็นปัญญาแต่ก่อนเป็นเพียงแค่รู้มันไม่ได้เป็นปัญญาอันที่เคยรู้มาทั้งหมดไหลมาไหลมาไหลม า, ลมาเป็นองค์เป็นเป็นปัญญ า, าทีนี้เป็นองค์มาป ร, ประกอบกับจิตในเวลานะไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่เราเรียนรู้ ไม่ใช่แค่เรียนรู้เฉพาะในชาตินี้นะอดีตชาติมันก็ไหลามาที่เราเคยเรียนรู้มาประสากนกันกับดวงจงิตดวงใจในเวลานะตรงเนี้ยมันจึงเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งสําหรับบุคคลผู้เข้าไปรู้เห็นในสัจจ์แล้วเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์หลักธรรมและองค์ธรรมเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงแต่คนที่ยังเข้าไปไม่ถึงจะวิเคราะห์หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราผิดเพี้ยนจากความจริงได้ แล้วก็เพียนไปมากด้วยเสวอมากไม่ค่อยเห็นความจริงกันเท่าไหร่พูดอย่างนี้เหมือนกับการอวดตนยกตนในในแง่มุมหนึ่ง่ะนะมันก็ว่าเป็นการพูดอวดตนอวดอวดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอุตริมนุษยธรรมอุตรินั่นเองเมื่อการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติมันจะต้องพูดในจุดของการรู้ถึงผลหรือบรรลุผลมันก็หลีกเลี่ยงจากการที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องพูดถึงแม้จะเข้าข่ายในการอวดแต่ก็ไม่ได้อวดเพื่อมุ่งอย่างอื่นที่เขาเข้าใจกันเป็นเพียงแค่ต้องการให้ทราบว่าผลของการปฏิบัติมันมาด้วยวิธีการนี้และพยายามจะชี้จุดให้เห็นว่าการเห็นการเกิดดับของขันห้านี่แหละคือผนทางที่จะเขาไปทำลายร้านอาหารสัะมันต้องไปอย่างเนี้ยเส้นทาง เพราะเราคือคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาการปฏิบัติมาก่อนเคยติดขัดเคยอยู่กับเรื่องราวบางเรื่องที่เราก็ทํามาดีแล้วแต่ทําไมจิตเรายังยังรู้สึกเหมือนกับมันยังรับยังเป็นกระทบกระเทือนยังไม่เห็นการลัยังมีอารมณ์ขุ่นมัวภายในอยู่เี้ยหรือพยายามที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยดูแต่ในอง์ของสมาธิอยู่ตลอดอ้เรื่องสมาธินี่ไม่ต้องห่วงหรอกมันลงจดขาดการ การรับรู้จากภายนอกเนี่ยไม่รับรู้ภายนอกอะไรมันก็ทําได้แต่มันไม่เกิดปัญญาเรื่องประเภทอย่างเ้มันเลยอาตมาเลยจัดเรื่องของสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นวิชาสมาธิเนี่เพราะมันไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ประกอบไปด้วยสมาธิทีพระอาตมาจึงพยายามให้ความรู้กับพวกเราเพื่อให้เกิดสมาธิฐี่เพื่อเอาสมาธิที่ไปปฏิบัติมันจะเป็นสมาธิก็ตามไม่เป็นสมาธิก็ตามอย่างน้อยเรามีสมาธิที่อยู่ไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเสมอไป ไม่จำเป็นจะต้องมีความสงบเสมอไปไม่ใช่ว่าจิตดีจึงจะเป็นการปฏิบัติดีอันนี้ผิดจิตไม่ดีจิตวุ่นวายจึงเป็นการปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ไม่ก้าวหน้าผิด น, นั้นแหะจะวุ่นวายก็ตามจะไม่วุ่นวายก็ตามเป็นเรื่องของจิตการปฏิบัติของเราคือรู้เห็นทําตามคว า, า, ามเป็นจริงเห็นความเป็นจริงของมันมันเกิดมาอย่งไรมันตั้งอยู่อย่งไรมันดับยังไงมันอยู่ในขันไหนอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับจิตเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอารมณ์และเราจะต้องสัมผัสกับอารมณ์ทุกๆอารมณ์ และเราจะอยู่ด้วยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ต้องมีอารมณ์มาเป็นเครื่อฟื้นฟแต่งเพื่อให้ทราบสิ่งที่เรากําลังเกี่ยวข้องอยู่ว่าคืออะไรถ้าสัมผัสเกี่ยวข้องเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะปฏิบัติต่อมันไม่ถูกอารมณ์ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่แสดงออกให้เราเรารู้สิ่งที่เราสัมผัสมันไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ที่เราไม่รู้ขนาดที่สัมผัสที่กระทบนั้นที่เกี่ยวข้องเมื่อเราไม่รู้มันก็เลยเกิดกิเลสขึ้นอวิชชาตัณหาและอุปทานกรรมทีนี้สื่อต่อกันไป ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงตรัสเรื่องของการละอยู่ที่ทำลายอาวิชชาไม่ได้ไปทำลายที่อื่นไม่ได้ไปลากที่ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแต่ก่อนเราก็พยายามลากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงละและเข้าใจว่าการทำจิตให้สงบเข้าถึงสมาธิโดยปราศจากการรับรู้ภายนอกคือมันขาดการรับรู้ภายนอกเลยนะไม่รู้ว่าไม่รู้สึกความมีอยู่ของกายเข้าใจว่านั่นคือวิธีการที่จะทำลายล้างอาสวะกิเลส กิเลสเดีเขาค่อยหมดไปเองเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ภาคเพียนทําอย่างนั้นทำแล้วทำดีทําแล้วทําดีทําไมไม่เห็นมันกลางมันไ ม, ไม่เห็นลักแต่ตอนทําอยู่นั่นน่ะมันไม่ปรากฏเป็นกิเลสจริงกิเลสไม่เกิดจริงแต่การละเราไม่เห็นละที่ขาดออกจากจิตเราไม่เห็นไม่เห็นนะแต่พอมาปฏิบัติดูการขันห้าเกิดดับมันเห็นมันคนละเรื่องเลยกับการสงบ กับการเห็นกันละคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยคนละยามคนละไกลกันเรื่องอะไรบอกรนี้เลยเน่ยคนละโยดเลยพากับบินอีกถือว่ายังใกล้เนี่ยอัตมาจึงมองเห็นสภาพที่ตนเองเคยปฏิบัติมาในขณะที่บำเพ็ญสมาธิให้จิตเป็นความสงบนั่นนะถ้าจะเปรียบเทียบกับการละแล้วเนี่ยเปรียบเส ม, มือนว่าสมาธินั่งเหมือนกับก้อนที่มาแห้ง <c oughs> ไม่รู้รักษาไว้ทําไมตั้งนานมันไม่อยากไม่อยากจะเอาเลยนะไม่อยากจะทําเลยแบบเดิมเลยนะอยาจะเตะทิ้งไปต่อหน้าตารางลมทําอยู่ตั้งนานนะตอนนั้นนะ<ม>แต่ธรรมดาเราก็ต้องหลมก่อนก็ต้องหลมทําไปก่อนเมื่อหลงทําไปแล้วเรามารู้จึงสามารถเทียบเทียงรู้ได้ว่าอ๋ออันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้จึงจเจริญตัวเนี้ยขึ้นตัวที่เกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเนี่ย จเจริญยิ่งขึ้นก่อนละอันนั้นยังไม่เอาแต่ก่อนโอ้ปลากระประองมันเพราะอะไรมันให้ผลคือความสุขสู้ม่สุขจนจนเราเรารู้สึกว่ามันในจิตเราเนี่ยมันทําไมมันเต็มไปด้วยความสุขไม่มีส่วนไหนเลยของกายที่ไม่ได้รับความสุขจากสมาธิที่ทํา <c oughs> แม้แต่เส้นผมยังรู้สึกว่าเป็นความสุขแม้แต่ไปลเล็บเท้าเนี่ยยังรู้สึกว่ามันมีความสุขไอ้เล็บเท้าเนี่ยมันทําไมมันรู้สึกว่ามันมีความสุข มันสุกหมดสุกไปทุกส่วนของกายไม่มีส่วนใดของกายที่ไม่มีความสุขในขณะที่ทานั้นขนาดนั้นเลยนะและดูเหมือนว่าความสุขจะลดออกไปทั้กายเราอีกด้วยนะเมื่อกลับมาอยู่ยรอบๆข้างเราก็ก็เต็มไปได้วยความสุขค้างๆเละ <c oughs> ดูคิดดูสิว่ามันจะไม่ให้ติดได้อย่างไรแต่นั้นคือการหลงติดโดยที่เรายังไม่มีปัญญาในเวลานั้น อันหลงติดก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าหลงคิว่าถูกแล้วใช่แล้วแน่นอนแล้วนี่แหละคือผนทางที่จะดับทุกข์นี่แหละคือการทํำลายล้างอาสวะกิเลสแต่ไม่รู้นั่นคือการสร้างกิเลสขึ้นมาโดยปฏิสุขมันไม่รู้มันคือไม่รู้ก็คือไม่รู้อวิชชาครอบงาก็คือไม่ให้เรารู้ น, นั่นเองไม่ให้เรารู้หรอกว่า ท, ที่เราทนะําน่ะมันไม่ใช่ผนทางมันก็ให้เราทําอยู่ด้านแหละทําเลยทําเลยมันจะยู่ให้เราทํอาอวิชชา เ, เดี๋ยวมก็หมดแล้ ว, าวลอาสวะกิเลสจะสิ้นแล้วมันดุให้เราทําทำแล้วทำอีกใครมาบอกว่าอันนี้ปฏิบัตินี้ม่ถูกมันนี่ม่ถูกได้ยังไงวะเนี่ยมันมันใช่อยู่ไงไงคนอื่นมาขัดไม่ได้ขัดแล้วมั น, น, น, น, มนปฏิสเสธปฏิฆุ้ณสิว่า เ, เขาติดเขาในความสุขใช่อันนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาเป็น เพราะเส้นทางเราก็ผ่านมาแล้วจริงมานองให้ฟังว่าการปฏิบัติมันมีทั้งความผิดความถูกอยู่ในนั้นคือจะว่าผิดทีเดียวก็ไม่ใช่มันก็มีถูกอยู่แต่มันถูกแบบผิดเ <c oughs> นี <c oughs> น่ยพารชลันที่พระเจาพเย็นทุเลขอะไรเลยใช่ไหมใช่ น, นั่นคื อ, <c oughs> คอเห็น <c oughs> เลข <c oughs> เอะไรมันก็มันก็เป็นประสบการณ์นั่นเอง มันก็ออกตามนั้นเข า, จจาต้องต้องสั่้หมดเฮ้แต่ก่อนนี่ให้ใไปทําไมก็รู้อีก ว, ว่ามันผิดแต่ตอนนั้นเราก็ยังสนุกกับมันอยู่ไงโอโหตอนนั้นนะ่ะดังทั่วหมู่บ้านเลยเลยได้ทําถนนขึ้นรอยได้ได้ทําตอนนั้นตามาอยู่บนป่าอยู่บนภูเขาไงก็ปู้สั่งให้ขึ้นภูเขาไง ทางขึ้นมันลําบากไงโอ้ทําไมมันทางขึ้นมันลําบากอย่างนี้วะพอเวลาฝนตกมันลื่นเวลาลื่นเนี่ยเราขึ้นไปมันจะถลายลงถลายลงมันลําบากนี้ทําไงถ้ามีทางขึ้นดีๆก็น่าจะดีขบไปขุดว่ามีวิธีเดียวนะที่จะเอาทางขึ้นได้บอกเหมายม ก็เข้าสมาธิจะบอกเหมยโยมไงก็เห็นสิก็เห็นอยู่ต่อหน้านี่แหละขึ้นมาเลยแหละก็ไปเขียนใส่มือเขาก็ถูได้เงินทําถนนจนเงินเหลือไหนหางแล้วอาจารย์ก็เอาเท่าที่มีทางถนนขึ้นแล้วได้กุฏิกุฏิเล็กๆไม่ได้ใหญ่ๆอะไรเท่าไหร่หรอกเคยกุฏิธรรมดาเนี่ยสามสีหลังก็พอแล้ว แล้วก็มีรถส่งขึ้นไปถึงก็แค่นั้นเองพอเรามารู้ว่าที่หลังว่ามันเป็นอบายามุกเราก็ติ้งไง mm hmm. ก็ไม่เอาเกิดปัญญาแล้วตอนะอันนั้นอันนั้นยังไม่เกิดปัญญาอันนั้นยังยังหลับไหลอยู่ตอนตอนมาตื่นรู้แล้วก็ไม่ทำเ mm hmm. พอามีโทษมีโทษนะอันนี้มีโทษนะโทษเยอะทาให้คนไม่สนใจการปฏิบัติธรรมไ mm hmm. ปติดอยู่กับ mm hmm. โชคลาบเพอาะถ้าได้โชคได้ลาบมาได้ลาบมาก็ต้องเตรียมข้าวเหนียวนะหนักแล้ต้องได้น้ำตกมาด้วยนะไม่ตกมาด้วย <c oughs> ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดถูดหวยแล้วก็มาทําบุญก็ไม่ได้อดีตใช่แล้วท่านมาจุ๊บอกว่าเงินที่ถูกหวยอย่าเอามาทําบุญเงิน <c oughs> ใครซื้อยังซื้อหวยอยู่ก็ซื้อไปเถอะ ไม่ได้ห้ามแต่อย่าเอาเงินถูกไหมามาทำบุญเอาไปใช้หนี้หรือเอาไปใช้อะไรกับชีวิตของตัวเองเงินที่เอามาทำบุญควรจะเป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาจากการทำงานตากตามัมอาบเหงื่อตางน้ำเอาหยัดเหงื่อแรกมามาทำบุญอนะันนั้นไดบุญมากกว่าแต่ถ้าถูกไหมก็มันได้โชคได้ลาบมาก็เอาไปใช้หนี้เอาไปทำใช้ชีวิตสต่วนตัวตัวเองอย่ามาทำบุญเลยแต่มาก็ว่าเนี่ยหากอยากจะได้บุญเ <Deadpool. S 1> ต็มเ <ๆ S 1> ตมก็เอาเงินจากหยัดเหงื่อแรงกายนันมาทำ จะได้บุญมากมเห็นมีแต่คนบุญเวลาถูกหวยต้องทําบุญ น, นะไม่งั้นนะมันกับว่ามีมีบุญถูกหวยแล้วไม่ทําบุญกลับ <c oughs> ไปนะ่าจะเคาะลายหรืออะไรอย่างเี้ยเห็นพูดกัน <c oughs> อันนั้นคือความเชื่อ <c oughs> ที่เขาเชื่อว่าอย่างนั้นันบางคนถูกแล้ยา น, นได้ได้เแล้วก็เคาะแล้ว ที่เอามาเห็นหวยเห็นอะไรไม่ได้เห็นเองไม่ได้เห็นเกิดจากใจของตัวเองนะไม่ได้เกิดจากความรู้ของตัวเองนะเขามาบอกก็ไปนั่งดูอยู่ว่าเี่ยจะบอกหวยโยมตัวไหนดีนาะนั่งคิดอยู่ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้หรือเปล่ากำหนดไว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองสามตัวสองสามตัวเราจะมานั่งคัดเลือกอีกเจ้าตัวไหนนั่งคิดอยู่ในใจกําลังนั่งคิดอยู่ดีๆนั่นแหละก็มีเทวดา ก็คือก็ต้องเรียกเขาว่าเป็นเทวาดาน้อไม่รู้จะเรียกว่าก็าเป็นอะไรเทพรักอะไรเดินออกมาจากต้นไม้<อ>ต้นไม้ที่เรากําลังนั่งอยู่นั่นเลยนั่งดูมันเป็นกุฏิมุงมุงยาคามุงอะไรเงี้ยกุฏิไม้ไผ่เขาก็เดินออกมาจากต้นไม้ตรงอยู่หน้ากฏิเราก็เดินออกว่าออกมาเลยมาต่อหน้าเขาก็บอกว่าที่พระ อ, อาจารย์คิดไว้นะ่ะไม่ถูกสักตัวหรอกประมาณนี้<อ>ถ้าพระ อ, อาจารย์จะบอกเขาจริงๆให้บอกตัวนี้ มันก็เขียนขึ้นในอากาศมันก็ปรากฏเป็นตัวขึ้นมาในอากาศเป็นตัวคล้ายๆกับจะเรียกมันเหมือนกันกับอะไรอ่ะมันตัวมันมันมันมันไม่มีอักษรหอกแต่ว่ามันมันเป็นยังไงอ่พูดสภาว่าอันนั้นไม่ถูกอ่ะมันคือเลขสามมันเป็นเลข มันก็คือตัวเลขนั่นแหละแต่อันตัวเลขที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขแบบที่เขียนลงไปในในสมุดในหนังสือคือกลางอากาศเราเขียนตัวเลขในอากาศเราเขียนได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่อันนั้นอ่ะตัวเลขมันจะพยายามค้างอยู่ในนั้น่ค้างอยู่ในอากาศนั่น<ม>เขาเขียนได้เหดือดรุ่พาของเขา<ม>เขาเห็นไงเขาเห็นอย่างนั้นก็เขาไปบอกเขาอย่างนี้ แต่ก็ไม่ได้บอกอย่างนี้นะคือไม่ได้บอกทั่วไปนะเขียนใส่มือเขาเขาก็ไปซื้อต่างนะก็ถูก mm hmm. ก็ไม่ได้คิดว่านันคือถูกนะนะ่ะไม่ได้คิดว่าอันนั้นคือถูกก็ยังลุ้นอยู่ว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะเราก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้า mm hmm. น ะ, ะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้มันรู้มันรู้อยู่แล้วว่าคือมันหมายถึงว่ามันมีพวกชาวทิพย์ที่รู้อยู่แล้วว่าจะออกอะไร กอเขาจะอยู่อ๋อพวกนี้มีมีแม่ของคนที่เขาไปบนบานเจ้าีใช่ไอพวกที่ไปผูกตามต้นไม้ไปบนผัดมันเลยได้มาไงมีจริงเเนามีไงมีแต่ว่ามันเป็นอบายมุกเขาให้เขาก็ต้องการบุญกุศลอะไรด้วยหรือเปล่าใช่หรือว่าคนที่มีบุญที่จะต้องไปได้กับตรงนั้นก็ให้แต่คนแบบนี้กันมากเลยนขอหวย ม, นนมันทําให้ชีวิตตกอยู่ภายใต้การความาาออาโลภความมุ่งไงเอาอะโคจรเป็นความก็ถูกต้องคนเรามีความโลภอยู่แล้วเป็นแรงผลักดันแต่โลภยังไงไม่ให้ไปไปส่อาบายมุกโลภได้แต่อยาสร้างอาบายมุก ข, ขึ้นจากความโลภพระเจ้าก็สอนให้เราโลภโดยการสร้างเหตุให้ตรงกับความต้องการที่อยากจะได้มา ไม่ใช่ไป้องขอรองมันดูผลดูรัตรานะพี่เขาตั้งใจรูああ้จักพระจารย์นะไม่เล่นหวยเล่เฉันมันที่นี้ที่นี่เทวราตัวนั้นก็ได้รับโทษที่มาบอกกระที่าอกพระจานะะใช่โทษทำอะไรไอ้เราก็รู้สึกอ๋อไม่ไม่ดีเลยว่ะเข้าใจแล้วก็ได้รับโทษอะไรหรอถูกลงโทษไงก็ก็ไปเห็นมดนอไรฮะต่อมาบันต่อมาก็ไปเห็นสภาพเขาถูกลงโทษใครลงโทษอ๋อมันเป็นกฎ กฎธรรมชาติเองมันเป็นกฎกฎของของของชาวทิพย์ชาวเทวนาถูกตวนโซ่ในในช่องทิพย์มันมีที่โล่งทันกันอยู่ใช่ถ้าพูดออกไป็นตรงนี้มันดีหรือเปล่านาออาจารย์ช่วยเหลือในข้อหน้าตอนนั้นหลังจากนั้นก็อุทิศบุญให้ไปเห็นแล้วจึงได้อุทิศบุญให้เขาก็ดีขึ้นใช่ไหมก็โซ่ก็หายไปก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ไม่ ไม่คิดที่จะบอกหมือนใครหรือคขาก็บอกว่าจะไหลม้วนมันก็มันเป็นอีกตัวใหม่นะไม่ใช่ตัวเดิมอมันคนละตัวหมายถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกลโทษอะไรเหมือนกันอย่างไรพอมบอกเสร็จปั๊บมันก็ได้รับโทษแล้วก็ทิ้งบุญให้มันก็ต่อไปก็ไม่มันก็ไม่บอกไงทีนี้ก็มีอีกตัวใหม่มาก็บอก อีกตัวม่ม ก, ก็บอกเราก็รู้อยู่แต่เราก็รู้อยู่นี่เราก็เอ๊เะก็เราก็รู้อยู่ว่ามันมีโทษแล้วเราจะไปให้เขาได้รับโทษทําไมอย่างนี้นะ่ะก็เลยหยุดไงหยุดเพื่อไม่ให้เกิดโทษในการแลกันอตอนนั้นก็เพียงแค่อยากจะดูว่ามันตรงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเพียงแค่อยากจะทดลองแค่นั้นเองไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรมากมายมาอย่างนั้นตัวคงจะเป็นอาจารย์ใปหงไมแล้วปว่า น, นี้ ไม่ได้มาเป็นอาจารย์นั่งสอนธรรมะอากอานี้หรอกน่าคยมีคอปเตอร์ส่วนตัวนะไม่ม้นนเแล้วมีพวกสถิตตามต้นไม้ที่เขามีอรุภาพในการรับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆอีกอย่างหนึ่งคงอยากจะได้บุญกับเราด้วยมั้ง<ม>เพราะการปฏิบัตบบิบาเพ็ญภาวนาในป่าในเขาเนี่ยเทวดาเหล่านี้เขาจะอนุโมทนาแล้วการอนุโมทนาของเขาจะทาให้เขาได้รับบุญ ใช่เขาก็จะได้อานุภาพมากขึ้นเมื่อเขาเห็นเราคิดว่าเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่รู้จะช่วยวิธีไหนก็ประมาณนั้นอ่ะเขาคงจะช่วยในวิธีการนี้คาดว่าอย่างนั้นนะคาดว่าความความประสมของเขาของเทวดาเขาจะช่วยอย่างนี้เขาก็เลยมาบอกไงมาบอกก็เลยได้อนุเคราะห์ชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะถูกหมดทุกคนนะแม้จะบอก มันจะออกตามนั้นก็จริงอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ถูกทุกคนเพราะมันจะมีเหตุให้เปลี่ยนความรู้สึกที่อยากจะซื้อตัวนี้ไปซื้อตัวอื่นอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามสามสิบล้านม่รู้เป็นของใครก็เป็นเรื่องของนี่แหละเห็นมั้ยเห็นอบายยมุหรือยังอย่างเนี้ยอบายยมุปูน่าเป็นเรื่องของความไร้สาระทั้งนั้นเลยกลายเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่สังคม เสียเวลายอยู่กับเรื่องความดีคนนี้ไม่ใช่ของเขาแลจะได้สามสิบล้านมาก็ไม่ได้มีความสุขเห็นไหมล่ะไม่ได้สุขอะไรหรอกเพราะมันมาจากความคุกใครได้ไปก็ให้คนนั้นไปเออจะเป็นอะไรไปสลารู้จักสลร อ, ออกไปบ้างจะดีมากจะมีความสุขมากอย่างนั้นกีก็ทำไมจะเดื อ, อดร้อนสารก็จะไม่ต้องเดื อ, อดร้อนรู้จัดไม่รู้จัดสาดออกไปมันก็เป็นอย่างนะั้นการสารดีที่สุดกว่าการได้ แต่คนไม่เข้าใจการได้สิ่ถึงจะดีสละออกไปมันจะดีที่ที่ไหนมันก็ถูกแต่ได้มาแล้วต้องสละออกได้มาแล้วต้องสละออกมันนึงจะเป็นชีวิตที่แท้จริงเหมือนกับลมหายใจเราที่หายใจเข้ามาแล้วต้องเอาออกหายใจเข้าแล้วต้องเอาออกก็ลมหายใจมันดีแล้วเอาออกไปทําไมไม่เอาออกตา ย, ยแต่ทีนี้คนที่ได้มาไม่เอาออกเขาบอกเขาไม่ตายเ้าอยู่ดีเห็นยวไม่เสีษฐีที่กี้เหนียวในคำพุทธการจากประวัติที่เราเรียนรู้มาใช่ไหมละ่ะ ไม่ยอมจ่ายออกไปเลยแม้แต่แดงนึ ง, ก, ก, งออก็ไม่อยากให้ออกไม่อย่างนี้สูญเสียสุดท้ายตายไปเป็นสุนัขบ้างงูเหลือบ้างกลายเป็นหนูบ้างซับน้อยก็เกิดเป็นหนูซับปานกลางก็เกิดเป็นหงูเหลืองซับจํานวนมากเกิดเป็นสุนัขเฝ้าส่วนมากพวกตระกูลเดรชานหรือสุนัขเนี่ยมีความตันหนีสูงเสัตว์ประเภทสุนัขนี้นะความตันนีเขาสูง ความตนีเขาสูงคือพวกนี้มันเป็นประเภทที่รอให้คนอื่นเอาอาหารมาให้กินถึงจะได้กินเพื่อจะได้รู้ว่าคุณค่าของการให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนไงเพราะอยู่ในฐานะของผู้รับตนเองเนี่ยไปไปตันีอยู่เลยจะต้องไปถูกกรรมวิบากส่งผลให้ไปเป็นสัตว์เลยชานรอรับสิ่งที่คนอื่นเขาให้หยิบยื่นให้จึงได้ทราบว่าการให้เนี่ยมีคุณค่าจริงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริง ถ้าคนอื่นเขาไม่ให้ตนเองอย่อยู่ได้ไม่หล่ะสัตว์พ<ม>วกเนี้ยอยู่ไม่ได้ไก็เป็ น, นี่ยเขาไปหนีเขาจะต้องเรียนรู้ในฐานะของความเป็นสัตว์เลยงฉนอย่างนั้นจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะเกิดปัญญาในความเป็นสัตว์เลยงาันพอเกิดมาเป็นมนุษย์รู้จักให้แล้วนี่อ๋อเห็นคุณค่าการให้ตั้งแต่ตอนเป็นสัตว์เลยงฉันแลมาให้เลยแยกออกสลัดออกไปยิ่งหัวแห้งไม่เท่าไหรความเป็นสัตว์เลี้ยงานก็มากเท่านั้น อาจารย์เห็นแล้วที่กยิ่งโลภมากเท่าไหร่ก็เกิดเป็นเศมากเท่านั้นที่กัจจีบอก็ววมีสุนัขในที่เขาลงในลาย่ยมีสุัขตัวหนึ่ี่ยเขาก็เปิดเพลงจีนาก็ลูกไหวว่า ม, มน ừ, คนเลยไหวอยู่นั่นแหละอาจารย์แต่คนอิดีาติเาเป็นคนแล้วชอบไหว้นะนะก็ประมาณนะั้นเขาก็มาไหว้ ừ, ไวหว้แบบจีนอ่ะ ừ, เห็นไหมเห็นในลา ừ, วันนี้ป้งทาบเปนไงว่าทำไมถึงเกิดเป็นสุขนะก็มาจากสาเหตุนี้ส่วนหนึ่งสาเหตุอื่นก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เสมอไปส่วนมากพระเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฏฐิจะนําไปสู่การเมสัตว์ในราชานั้นหมายถึงว่าแม้จะทําคุณงามความดีแค่ไหนก็ตามหากอยู่บนพื้นฐานความมิจฉาทิฏฐิก็หนีไม่พ้นจากสัตว์ในราชาให้ทานตามประเพณีรักนับถือพระรัตนตรัยตามประเพณีถือศีลตามประเพณีทําสมาธิตามรูปแบบเจริญปัญญา ตามข้อกําหนดไม่ได้มีปัญญาที่แท้จริงคือทําตามรูปแบบทําตามประเพณีทําตามเรื่องราวที่เขากําหนดขึ้นไม่มีสมาธิถีที่แท้จริงก็เป็นการทําแบบวิชาที่ถี่อันนั้นอ่ะมีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ตัง้ง<ม>คือเป็นไปในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไ<ม>ดน้ไปนะแต่ไปได้ง่ายๆด้วยไปเกิดถ้าไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเปรตผีปีศาจอสูรกายอย่างใดอย่างหนึง่ง จิตผูกพันแค่ไหนลึกในการที่เราเลี้ยงแล้วมีผูกพันไหมถ้ามีความผูกพันก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นก็ต้องไปไปอยู่ในความผูกพันอันที่จิตนั้นยึดติดอยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงเขาตายก็คือตายอะไรหน่ะเราเลี้ยงลูกเลี้ยงช้าก็อนุเคราะห์สูงเคาะเข้าไปอย่างนี้ใช่มแม่ว่าถ้าเราไม่เลี้ยงมันจะมีอาหารการกินอยู่ได้อย่างไรด้วยความเมตตาก็เลี้ยงมันไปแต่อย่ามีจิตผูกพันให้ระวังตรงนี้ แต่ธรรมดาแล้วเมื่อเราเลี้ยงแล้วเกิดความเอ็นดูก็ต้องมีจิตผูกพันอยู่ดีแต่ถ้าเรารู้เท่าทันตัดกระแสแห่งความผูกพันออกไปก็ก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แต่การที่จะตัดได้ต้องตัดด้วยอริยมรไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะในพรรษาที่สามพรรษาที่สองสามสองจะเข้าสามไม่แน่ใจประมาณนั้น ขณะที่อาตมาเห็นขณะที่อาตมาได้ยินเสียงขณะที่อาตมาดมกลิ่นขณะที่ลิ้มรสกายกายที่มันเปิดรับอายตนะทั้งหมดมันเห็นกระแสนําสื่บพบสิ่งที่เห็นก่อเกิดปฏิสนธิเป็นพบแล้วสิ่งที่ได้ยินก่อเกิดปฏิสนธิเป็นพบในขณะนั้นเลยนะขณะนั้นเลยโอโคทําไมมันเร็วขนาดนี้อาตมายังนึกอยู่ว่าพบนึกว่ารอตายก่อนแล้วไปเป็นเป็นพบเปเกิดเป็นในพบไม่ใช่ปฏิสนธิเป็นพบรออยู่แล้วอัตโนมัติ ในชั้นของนามธรรมสืบต่อเกิดเป็นภพเร็วมากเลยทุกทุกขณะที่เห็นทุกทุกขณะที่ได้ยินทุกๆุกขณะเลยนะหากรู้ไม่ทันภพเกิดขึ้นทุกๆุกขณะทุกๆอิริยาบถทุกๆความเป็นไปเกิดขึ้นรองรับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วภพต่ำภพสูงมีหมดมันปฏิสนธิสืบต่อไปแล้ว โอ้โหการที่จะตัดกระแสนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะกระแสของพบนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยหาไม่มีพันนิพานเป็นตัวตัดนี่ไปสื่อต่อเนี่ยนอนอัตโนมัติไปตามพบนั้นคือยังไม่ทันทําอะไรเลยนะแค่ตามมองเห็นอะไรตื่นขึ้นมาในลืมตาตื่นขึ้นปั๊บนี่มองปั๊บนี่สื่อต่อพบแล้วมันเป็นกระแสออกจากจิตนี่จา ก, กิตของเราเนี่ยก่อปฏิสนธิทันทีเห็นอย่างนั้นเลย เห็นชัดแล้วกับตายเห็นเนี่ยเพราะนั้นผู้ได้จเจ้าสมตัดปฏิสูบาทขณะจิตหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันนี่นะมันเป็นพบทันดีเลยตรงันและพร้อมที่จะเกิดได้หากสติสัพชัญญะไม่เพียงพอเนี่ยการฝึกสติสัปชัญญะจึงเป็นเหตุผลที่ควรจะปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันไม่ใช่ออกขณะแค่นั่งสมาธิควรจะทําให้เท่าทานขณะที่เป็นอยู่ขณะปัจจุบันนั้นให้ได้บางคนก็บอกว่าเรื่องพบเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการจินตนาการเรื่องพบใหม่เรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องของการจินตนากา ร, ร, ร, ว, ารวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ยุคใหม่ต้องถามคนยุคใหม่่ว่าไงอยู่กับวิทยาศาสตร์แนวความคิดเป็นยังไงบ้าง คนยุคใหม่เขามีแนวความคิดเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นรกสวรรค์ผีปีศาจเทว่าได้ผมน่าจะในของเก่านะมีของเก่าคือมีความเชื่อ ม, มว่ามีอยู่แล้วเชื่อว่ามีอยู่แล้วเ อ, อันนี้คือส่วนน้อยนะแต่ส่วนมากๆากสุดมากโดยเฉพาะคนที่เรียนทางการแพทย์การวิทยาศาสตร์รอะไรมาพวกนี้ซีซีเคมีปฏิเสธเที่วไหลน์น่ะมีล็อกผี ถ้ามีต้องมีตัวผิดโ ย, ยมหมอเอนี่เชื่ออะไรอเอาทำไมเชื่อเรีย น, นเขาก็รุ่นเดียว์หมอเอแล้รู้จังไงกไหเอเน์เทศน์ผู้ศรัทธาคอาจารย์ผมเชื่อผมเชื่อจริงๆก็เชื่อมาตานานแล้วแต่มาเชื่อเพิ่มเติมตรงที่ว่าเขามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จับวิญญาณได้อีกจับได้ด้วย แต่ก่อนมันไี่มีไงตอนนี้มันมีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจับโดยเห็นชัดนะแต่จับคือเขาจะตั้งค่าตำแหน่งตำแหน่งของซาลีรักที่เป็นเหมือนกับมนุษย์ไว้ถ้าดูมนุษย์ปุ๊บก็จะเกิดรูปร่างซาลีรัขึ้นบนที่จอใช่ไหมทีนี้เขาเอาไปส่องตรงที่ต้นกล้วยมันก็มีตำแหน่งของมนุษย์ขึ้นมาและเคลื่อนไหวได้ด้วย เอาไปสอนไว้ที่สารพะภูมิก็มีถ้าที่สารพะภูมิจะมีตําแหน่งเป็นจุดสีแดงถ้าต้นกล้วยจะเป็นสีขาวถ้าตามถนนหนทางจะเป็นสีเทาสีก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันนะแต่เป็นตําแหน่งที่รูปร่างคือร่างกายมนุษย์เราแต่แต่ไม่ได้เห็นเป็นเป็นชัดรูปร่างชัดแต่เป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามันมันจับเป็นกราฟเอ่เป็นทานองว่ากราฟ สีแต่ละสีก็บ่งบอกสถานะของภพภูมิแต่ละภพภูมิในต้นกล้วยก็มีนางตานีจริงเีง้ในในสารภพภูมิก็มีสารเจ้ า, า, เ, จาเจ้าที่จริงอะไรแบบเนี้ยในรถก็ยังนี้มแม่ย่านางอ่ะอ <laughs> เขาอ่ะนะมันจะมีคันที่กขาผลิตขึ้นมาแล้วมีคนเป็นเจ้าของหรือว่ามันจะมีตั้งแต่เขาผลิตขึ้นมาเลยอะไร ครั้งที่เขาผลิตขึ้นมามันก็จะมีดวงยันยันอะไรอยู่อะไรเข้าไปจับจองชอะไรอย่างนี้เลยการที่ว่าเราจะได้มาเป็นเจ้าของหรือว่าต้องมาสัมพันธ์กันนี่ก็คืออยู่ที่ดวงตรงนั้นเองเพความเกี่ยวโยงมาในดวงอิฐดวงใจแต่ละดวงที่จะมาอยู่ร่วมพระพุทธเจ้าบอกแม้แต่สร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยแค่เขาตอกเสาลงไปปั๊บมีผู้เข้าสถิตแล้วในเสาที่ตอกลงไปนะฝังเสาลงไปในดิ เขาเข้าสติทนันทีทำบุญบ้านแต่เราไม่ต้องทําพธิธีกรรมเราจะทำได้ยังไงก็อุทิศบุญให้อุทิศบุญได้อย่างยิ่ยไม่ต้องมีพิธีกรรมผู้ได้ศา ส, สนาไม่ได้มีพิธีกรร ม, น, ม, ม น, นะเพอต้องเข้าใจว่าพวกผู้ได้เจ้าเนี่ยเดินไปที่หมู่บ้านพระองค์ก็กล่าวสอนธรรมะให้คนในหมู่บ้านได้เข้าใจเกิดปัญญาเกิดสติไม่ใช่พระองค์ไปที่หมู่บ้านแล้วมาบอกว่าเตรียมทาพิธีนะอทุกคนนโมตัสะ ทุกคนผู้ทางธทลังกชามิอีรับศีลผู้เจ้าไม่มีผู้เจ้าไม่สอนอย่างนั้นแม้แต่สงสาววะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้ ท, ทําพิธีกรรมอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไปเขาก็สอนธรรมะคนหาปัญหาท่านก็ตอบปัญหาถ้าเรากล่าวสอนหลักธรรมในทางพุทธศาสนาให้คนได้เข้าใจคนเลื่อมใสก็นับถือก็ประกาศตนเองว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระรัตนตรัยขึ้นมาทุกวันนี้เรายังไม่ทันได้สอนอะไรกันเลย มาเลยมายิตีปิโสพะคาวาใช่ไหมพูดทางสนันาิษฐานฉาไม่ทำทางสันนิษฐาฉาไม่ทําพิธีกรรมก่อนอเราไม่ได้ทำพิธีกรรมเลยอันนี้เราคือคือความความอ่อนแอทางปัญญาของชาวพุทธที่ถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่แรกแล้วให้มีความอ่อนแอตั้งแต่แรกไม่เกิดความเข้มแข็งทางสติปัญญาจึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้มัวแต่พึ่งพาสิ่งอื่นนอกจาก การพึ่งาตนผู้ย่อบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมสองอย่างจึงไม่เป็นเรื่องปัญหาอะไรเลยจะประกอบพิธีกรรมหรือประกอบพิธีก ร, รก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่จะเอามิถูกตามหลักของพุทธศาสนาก็ไม่ต้องมีพิธีกรรอบอกทอํายังไงวิธีการคือนิมนต์พระที่สู่ไปนั่ง ขวายทานอุทิตให้แก่ผู้ที่จะเสร็จถึงบ้านจบแค่นี้ยจบแล้วนี่คือสิ่งที่ผมสอนสอนไ้ปรากฏอยู่ในเรื่องของปาตาลิคามิยสูยใช่อันนั้นเป็นประเพณี ต, ต้องเข้าใจว่าการถูกปลูกฝังมาทางด้านประเพณีมันทำให้เรายังไงมไม่อยากจะใช้คำคำค ำ, คำที่มันหนักไป อะไรก็ตามที่ถูกปูฝังมาเนะ่ะมันทําให้เราไม่เจริญทางปัญญาปัญญาไม่เติบโตทนน่านา้าจารย์หายังเวลาก็ได้รถใหม่มาท่านนิมนต์พะอย่างนี้ก็ยยแสดงว่าถูกต้องเหมือนกันนะคนิมนต์พระไปที่รกเหมือนว่าถ้าถ้าเป็นบ้านหาไหนก็นิมนต์พระไปแล้วเราก็ถวายเพื่ อ, อที่จะบุญส่วนบุญทรัพย์ให้กับผู้ที่อยู่ในบ้าน ก็เมื่อได้รถใหม่ก็มาทำบุญแล้วอุทิศบุญให้แกผู้ที่สถิตรถก็แค่นั้นหรือให้พ่อแม่เลยนั่นก็เหมือนกันเลยให้พ่อแม่เราก็หันกล้องนั่งเป็นสี่โมงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างม่จะาจะขับเลยไม่ได้ต้องเติมนอกมันก่อนอะไปเจาแค่ไปเติมนมันไปไหนก็ไม่ได้จะเจอว่ายังไงก็ไปไม่ได้เราต้าไปเติมน้องมัน หนูไม่ได้ทำอะไร่าเงนนะก็ก็ตอนจะออกรถคันนี้พวกเด็กที่เคยวถามว่าแม่ให้ทาัไม่เอาค้าเอาอ่้างอาไ่างเง้หรออือไม่ต้องแล้วเขาก็อุตส่าเตรียมภูมิใไมาให้ด้วยนะเหนืออะไรลันมากร้อมหนักอ่าอเอละมั้งนี่มันพอสมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยนะแล้วก็รูธนาญาติโยมที่ติดตาม รับชมอาจจะมีบนบ้างก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs>